สังคารานังขยังดิสวาสันตะคามิงนมามิหังพุ้ชิตว ah an ่าจตุสัจจานีพุ้ชาเปตีมหาชนะงพุ้ชาเป็นตังสิวังมักขังบุตเสทังนามามิหัง โทติราเคจะโทเสจ่โทติโมเหจะปานินางโทตะเกลสังมหาปุญญังทาทุสวงมหามิหังวิเวเจติยอาศธรรมาวิจิตตวาดมเทศนางวิเวเกทิตจิตโตโย วิธีตันตังนมามิหังชาติดัมโมจราดัมโมชาติอันโตปกาสิโตชาติเศรษฐนะพุทธนาชาติมุตตังนามิหังจะเยติปุญญสัมบาเรีจะเยติสุขสัมปทัง จะฉันตั้งป่าประกรรมมานีจะชาเป็นตั้งนมามีหัางพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงสั่งสมพระบารมีทั้งหลายโดยชอบตรงสร้างความสุขแก่พระองค์ได้แล้วข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้เห็นความเสื่อมสิ้นไปแห่งสังขารทั้งหลายแล้วได้บรรลุทำอันสงบระงับได้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่ประการแล้วทรงยังมหาชนให้รู้ด้วยข้าพระเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐพระองค์นั้นผู้ทรงช่วยสัตว์ให้รู้ทางแห่งพระนิพพาน พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงล้างเสียซึ่งราคะและโทสะทรงล้างเสียซึ่งโมหะของสัตว์ทั้งหลายได้แล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีบุญมากผู้มีกิเลสอาสวะที่หมดสิ้นแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงยางสัตว์ให้ห่างไกลจากอาสัตธรรม ทรงก่อการแสดงธรรมขึ้นเป็นผู้มีจิตตั้งอยู่ในวิเวกข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นนักปราดพระองค์นั้นธรรมชาติชราธรรมทำมันเป็นที่สุดแห่งชาติคือมรณะธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีพระชาติอันประเสริฐทรงประกาศแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียนก้าบ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงก่อสร้างบุญยสมลานมาจึงสั่งสมสุขสมบัติขึ้นได้ข้าพระเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงสละทิ้งเองและยังสัตว์ทั้งหลายให้ละทิ้งได้ด้วยซึ่งบาปรกรรมทั้งหลายได้แล้วพระนิพพานอันพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงยินดีแล้วความยินดีสําหรับโลกอันพระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงรักษาไว้แล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ละเว้นกิเลสทั้งหลายผู้มีความรักความชังเป็นต้นได้หมดสิ้นแล้วข้อกาดในการกล่าวพระธรรมกับคณะสงฆ์พระธรรมทูต ท, ทุกท่านนะครับในวันเมื่อวานนี้ได้พูดถึงในเรื่องของการสั่งสมพระบารมีมีประเด็นปัญหาอยู่เรื่องหนึ่งรู้สึกจะมีพระธรรมทูตถามมาเกี่ยนเรื่องของว่าบา ร, รมี ย่อลงเป็นสี่ใช่ไหมครับเออขอทบทวนหน่อยครับนิดนึงจะได้ผมจำสับแล้วผมก็ไปไปนั่งนั่งคิดคิดคิดคิดดูว่าเอ๊ะอะไรเนี่ยเนี่ยลองลองขอบคุณศาจารย์ให้โอกาสครับเพจ่นในหนังสือผู่มือทางปริยัติธรรมนะครับของตั้นแนแกนเกิดตนชาตินะครับในหมวดสี่ครับมี เขาเขียบ <Okay. S 2> ว่าเป็นองค์ธรรมของพระโพธิสัตว์มีอยู่4ประการนะครับคือ <Okay. S 2> มีหนึ่งสุดที่อเมตตาสัปัญญา4ี่ขันติอย่างนี้นะครับแล้วผมก็ได้ถือปฏิบัติตามนั้นแต่ว่าในส่วนปรัมมีสิทธัสจิตป้าจานบรรยายมานั้น mm hmm. ก็ถือว่าได้รายละเอียดมากไปเลยเกิดความสงสัยว่าก็มีการย่อกันหรือว่าเป็นคนละอย่างกันอย่างนี้นะครับขอความเห็นจากคุณ ก็ตรงนี้ตอบประเด็นตรงนี้ซะเลยนะว่าจริงๆในกรณีอห่งการที่บอกว่าพูดถึงสุดที่ไปจนถึงเมตตาทั้งที่ได้กล่าวแล้วเนถ้า ส, สรุปรวมๆ ล, ลงก็คือก็คงจะเป็นจุดหในการย่อบา ร, รมีลงมานี่ยแหละแต่ว่าถ้าท่านสงเคราะห์ในสประการเนี่ยคือในด้านของทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมะบา ร, รมีปัญญาวบา ร, รมีวิริยะบา ร, รมีแล้วก็อุเบกขาเอออุเ บ, เบปัญญา วิริยะเออปัญญาบ ร, รมีวิริยะคันติสัจจะทิฐานเะมตตาแล้วเบิดขาทีนี้ถ้าท่านสงเคราะห์เนี่ยครับในหลักเนี่ยอะไรเป็นตัวสงเคราะห์นะคือท่านสงเคราะห์ท่านมารวมเป็น6ก่อนนะใน6บา ร, รมีท่านก็มีทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีขันติบา ร, รมีวิริยะบา ร, รมีแล้วท่านก็ใช้คําว่าฌานะบา ร, รมีเอออันนี้มีมีในหลักฐานในพระไตรปิฎกแล้วก็ปัญญาบา ร, รมีรวมเป็น6ก็คือจําแนก แต่ท่านก็มาขยายนะั้นในรายละเอียดก็จะจะจะไม่จับประเด็นตรงนั้นแต่ถ้าหากว่าหมวดหมวดที่ว่าด้วยสเนี่ยจะมีที่เคยกล่าวไปแล้วสประการก็มีสัจจาธิฐานจารคาธิฏฐานอุปสมาธิฏฐานและกัปัญญาธิฐานในอธิฐานธรรมเหล่านั้นน่ยถ้ามองอย่างนี้ก็จัดอาจจะสรุปประเด็นกันได้ก็ว่าเชื่อว่าอธิฏฐานเพราะเป็นเหตุที่ตั้งมั่น ก็สรุปแล้วก็คือพระโพธิษัตว์เนี่ยจะต้องมีตัวอธิษฐานเนี่ยทั้งสประการเนี่ยเป็นเหตุแห่งความตั้งมัน่นหรือเป็นที่ตั้งมัน่นหรือเป็นเพียงตั้งมั่นเนี่ยชื่อว่าสัจจธิฐานนะเนี่ยถ้าสัจจธิฐานเพราะเป็นทั้งส ah ัจจะเป็นทั้งส ah ัจจะและก็เป็นทั้งอธิษฐานด้วยก็หมายความว่าเป็นเหตุแห่งความตั้งมั่นด้วยเป็นที่ตั้งมั่นด้วยและเป็นส ah ัจจะหมายถึงวจีสัจจะ และเพื่อจะได้เป็นปัจจัยต่อปรมัตถสัจจะคือพันิพานด้วยและเป็นทั้งสัจจะแล้วก็เป็นอธิษฐานก็คือเป็นเหตุแห่งความตั้งมั่นก็คือไม่ถอนนั่นเองหรือเพราะเป็นที่ตั้งแห่งสัจจะหรือเพราะมีสัจจะเป็นที่ตั้งได้ทั้งนั้นทีนี้แม้ในอธิฐานธรรมที่เหลือก็ในญันนี้เหมือนกันนะครับไม่ต่างกันทีนี้ประเด็นก็คือถ้าจะสรุปลงเนี่ยว่าสัจจะธิษฐานเนี่ยเพราะถือว่าเป็นบา ร, รมีทั้งปวงได้อย่างไร ตามสมควรแก่ปัญญาของพระมห า, าสัตว์ผู้อนุเคราะห์สรรพสัตว์นี่นะครับผู้สะสมบุญยาพินิหารในโลกุตละคุณเนี่ยถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าอันนั้นอันนั้นเ ร, เรียกว่าสัจจาทิฐานส่วนผู้สะสมบุญยาถ้าหากว่าถ้าจาคาทิฐานก็คือการสละสิ่งอันเป็นปฏิปักิต่อสัจจะเหล่านั้นจาคานี่คือการสละ อะไรที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสัจจะเช่นถ้าเป็นปฏิปักษ์ต่อวจีสัจจะเป็นปฏิปกักษ์ต่อต่อต่อสัจจะที่เป็นที่จะเป็นปัจจัยต่อการที่จะทําให้เป็นตัวขัดขวางไอ้ตัวจาคาธิฐานังเนี่ยคือการสละสละสองส่วนนะหนึ่งหนึ่งนะครับสละเอ่อสละกิเลส สลากิเลสก็คือเกี่ยวข้องกับวัตถุด้วยวัตถุก็ถูกสลาด้วยสองก็คือสละขันให้สังเกตดุไหมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านสลากิเลสที่โพธิบัลลังก์แล้วท่านก็มาสลาขันที่สาลวโนทยานเห็นไหมนี่คือการสละนี่คือจาคาทิฐานหนังและท่านไม่ยินดีไม่อะไรอววรเลยสังเกตุตัวไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยพญามานเนี่ยไปกระทุ้งท่านตอนที่ท่านประทับที่เวสาลีที่ ที่ตรงไหนนะปรงพระชนมายุสังขารทรานอาจเออได้แหละปาวาลเจดีไดนแหละจริงๆพญามารเนี่ยตามติดมาตั้ง25ครั้งใช่ไหมครับตามติดๆิด้ครั้งร้อยไฟนะที่ว่าวรัตนาให้ปรินิพานเนี่ยท่านก็ท่านก็ไม่รับแล้วก็บอกว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรือุบาสิกาของเรายังไม่แกล้วกล้ายังไม่ตั้งมั่นยังไม่เปิดเผย ยังไม่แสดงธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดยังไ ม, ไม่สามารถประกาศพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดาให้สว่างรุ่งเรืองประดุดดวงประทีปและยังไม่สามารถทำใหมนุษย์เทวดาทั้งหลายได้รู้ทั่วถึงเพียงไรว่า ง, งั้นเธอเราจะไม่ปรินิพานเพียงนั้นถามว่าที่พระเจ้ากล่าวยืนยันกับพญามารอย่างเนี้แปลว่าอะไรแปลว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยห่วงใช่ไหมไม่มีจาคาที่ฐานนางใช่หรือไม่บุกไม่ใช่คือพระเจ้าห่วงพวกเรานี่แหละ โดยเฉพาะหนึ่งห่วงภูพิศุบริษัทสองห่วงภิกษุณีบริษัทสห่วงอุบาสกบริษัทและก็อุบาสิกาบริษัทห่วงว่าถ้าหากว่าบริษัทสของพระตถาคตยังไม่แก้วกล้ายังไม่อาจฐานยังไม่ตั้งมั่นยังไม่สามารถทรงธรรมทรงวินยัยสามารถที่ปรับพระวาระคือวาระที่ต่างที่จะมาทําลายหักล้างคําสอนของพระชินดเจ้าหรือไม่สามารถแสดงธรรมที่มีความงามเป็นต้นเบื้องต้นทํามกลางเละที่สุด และถ้ายังไม่สามารถมีความสามารถประกาศคําสอนของพระบรมศ า, าสดาเนี่ยให้สว่างรุ่งเรืองประดุดดวงประทีปจนมนุษย์และเทวดารู้ทั่วถึงแล้วเนี่ยตถาคตจะไม่เสด็จดับขันธปรินิพานใช่ไหมแต่ที่พระองค์ยืนยันกับมารอย่างนี้เพราะพระองค์ยืนยันเพื่อต้องการให้พวกเราได้ประโยชน์สูงสุดแต่อยู่ต่อมาพอมาประทับที่ปาวาลาเจดีเนี่ยมารก็มาอีกหลังจากที่พระนร น, นออกไปที่พระเจ้าทํานิมิตโอภาส แต่พระนรนก็ไม่ทรงพระนรนก็ไม่รัตนาก็เลยพระพุทธเจ้าก็ให้พระนรนออกไปเพราะพระนรนออกไปพญามารก็เข้ามาแทรกแทนที่แล้วก็รัธนาแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังยืนยันคํานี้อีกแต่มารก็บอกบัดนี้ภิกษุแข็งแรงแล้วตั้งมั่นแล้วฉลาดในธรรมแล้วประกาศธรรมได้อย่างกว้างขวางแล้วจนมนุษย์เทวดารู้ทั่วถึงเป็นต้นแล้วอาถามภิกษุนีก็แข็งแรงตั้งมัน่นแล้วอุบาสกก็แข็งแรงตั้งมัน่นอุบาสิกาก็แข็งแรงตั้งมัน่น อันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าพระบรมาศาสดาเนี่ยไว้ใจไว้ใจพวกเราเนี่ยว่าว่าเอาศาสนาของพระชินร้าอยู่เพรางั้นพระองค์ก็เลยปรงพระชนมายุสังขานก็สละสละขันเลยในนี้นะนี่เป็นจาคาธิฐานครับเนี่ยคือจาคาธิฐานนงก็คือสละขันเนี่ยพระองค์ไม่ได้ใหญดีอยู่แล้วจริงๆแล้วพระองค์สละมาไม่รู้กี่ล้านล้านอัตภาพทีนี้พอสละเบสเสร็จภบมารดีใจนะแต่ที่ไหนได้เห็นไหม พระพุทธเจ้บอกว่าแม้เราจะสละขันห้าคือรูปประขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทิ้งแต่ธรรมและวินัยที่ตถาคตสแสดงแล้วบัญญัติแล้วธรรมและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาแทนตถาคตเอาละจีะเนียนยือันนี้ประเด็นอย่างเงี้ยไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระศาสดา ย, ยัางทรงดำรงอยู่ในฐานะแห่งพระธรรมนะในฐานะแห่งพระธรรมอันนี้เป็นจาคาทิฏฐานนางเพราะสละสิ่งที่เป็นปริปากต่อสัจจารเหล่านั้น ส่วนอุปสมาทิฐานังเพราะระงับสิ่งที่ไม่เป็นคุณของบารมีทั้งปวงอุปสมาเนี่ยก็แปลสงบระงับเออระงับระงับกิเลสเนี่ยนะระงับกิเลสหรือเป็นชื่อของพระนิพพานก็ได้อุปสมาเนี่ยเป็นชื่อของพระนิพพานก็ได้หรือเป็นการระงับเป็นอุบายเป็นเป็นการระงับระงับอะไรงับสิ่งที่ไม่เป็นคุณต่อบารมีทุกบารมีนะครับเช่นอะไรไม่เป็นคุณต่อทานาบารมีรู้ไหมครับ โลพาี่เป็นคุณต่อทานบารมีไหมโทสานี่เป็นคุณกต่อทานบารมีไหมโมหานี่เป็นคุณต่อทานบารมีไหมอุปสมาก็สงบอย่างเงี้ยระงับตัวนี้แหละครับเนี่ยพอย่อบารมีมันจะเป็นอย่างเงี้ยย่อลงมาก็จะครบคร บ, ครบทวนอย่างเงี้ยเห็นใช่ไหมครับว่าจริงๆถ้าถามบอกว่าสีร บ, บารมีเนี่ยอะไรเป็นปฏิบัติ่อศีร บ, บารมีก็กลุ่มโลพาโทสาโมหะเป็นต้นอีกนั่นแหละ ก็เป็นเป็นเป็นปฏิปักษ์ต่อศีลบารมีอุปสมาทิฏฐานก็เป็นสงบระงับสิ่งที่ไม่เป็นคุณต่อบารมีเหล่านั้นเนคขมะเนี่ยความยินดีในพบเนี่ยอันนี้เป็นความยินดีความใคร่ความติดใจในพบความติดใจในกาบคุณเนี่ยฉะนั้นตัวอุปสมาทิฏฐานนางก็เป็นสงบระงับไอปฏิปักษ์ต่อต่อเนคขมะบารมีทําที่เป็นปฏิบัติต่อเนคขมะบารมีถามว่าอะไรเป็นปฏิปักษ์ต่อปัญญาบารมีครับโมหังไง ความมืดบอดฉะนั้นอุปสมาทิฏฐานก็ไปไประ ง, งับอะไรท่านอาจารย์ระงับอะไรระ ง, งับความมืดบอดความหลงความโง่ใช่ไหมความหลงความโง่ก็ อ, อ, อ, อย่างนี้ถ้าเราศึกษาในนักธรรมชั้นเอกผมเชื่อทุกท่านเคยศึกษาบทแล้วเนี่ยจะมีบาลีอยู่สับหนึ่งจะมีพุทธพจน์อยู่ที่บอกสูทั้งหลายแลก็แปลเป็นไทยดีกว่านะ จงมาดูโลกนี้อันตรการตาดุดราชชลที่พวกคนโง่หมกมุ่นอยู่ที่พวกคนขาวหมกมุ่นอยู่แต่ผู้รู้ผู้รู้อะไรว่าไงผู้รู้ปริณิาพานหมดแล้วเขาไม่ติดข้องแล้วใช่ไหมล่ะอนตรงนี้อุปสมาก็คือการท่านสงบระ ง, งับเอกิเลสแล้วเนี่ยปัญญาบรารมีก็สงบระ ง, งับโมหะ วิริยาบารมีก็กสงบระ ง, งับโกโกสัจฉะฉะนั้นอุปสมาธิฐานก็ไปสงบว่าโกสัจฉะคือความเกียจคา้านขันติบารมีก็ไปสงบระ ง, งับอะไรความไม่ความยอมรับไม่ได้โดยปัญญานั่ยแหละสัจจะบารมีก็ไปอุปสมาทิฐานนะก็ไปสงบระ ง, งับความไม่มีสัจจะเห็นไมพระพุทธเจ้าเนี่ยมีไหมพูดแล้วไม่ทำมีไหมไม่มีเลยถ้าบอกว่าจะเป็นพุทธเจ้าให้ได้ก็เป็นบอกว่าจะสละทุกสิ่งทุกอย่างก็ทําอย่างนี้เป็นต้น ฉะนั้นถ้ามีกิเลสที่จะมาทําให้ตนให้กับพระ อ, องค์เนี่ยฟุ้งขึ้นมาแต่พระ อ, องค์ก็ใช้อุปสมาทิฐานเนี่ยเป็นตัวสงบงระงับเมตตาบา ร, รมีก็สงบงระงับพวกโทสะอุเบขาบา ร, รมีก็สงบงระงับความที่ใจไม่เป็นกลางต่อสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นนี่อุปสมาธิฐานนา ง, งระงับทำที่ไม่เป็นคุณต่อบา ร, รมีทั้งปวงปัญญาทิฐานนะ่ะหมายถึงอะไรเป็นผู้ฉลาดในอุบายเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยอธิษฐานธรรมเหล่านั้น ฉะนั้นกรณีกว่าสัจจาทิฐานังจาคาธิฐานังอุปสมาธิฐานังเนะี่ยต้องมีปัญญาเห็นไหมสรุปตรงนี้ครับสี่อย่างนี้แหละเป็นตัวประชุมบารมีและเป็นตัวเกื้อหนุนบารมีทุกข้อลงถึงสัจจาทิฐานนางจาคาทิฐานั ง, าานงอุปสมาธิฐานังแล้วก็ปัญญาธิฐานนางแต่โดยที่ต่างกันโดยเฉพาะทานเป็นประทัตฐานในอธิฐานธรรมสอย่างนะ ม้กุศลธรรมทั้งหลายเพราะได้โดยไม่ผิดจากวิปปติญญาบอกว่าเราจกให้โดยไม่ไม่ให้ยาจกผิดหวังถ้าถามบอกว่าที่ท่านปฏิญญาว่าเราจกให้โดยไม่ให้ผู้มาขอผิดหวังอันนี้เป็นสัจจะทิฏฐานไหมเป็นไม่เป็นเป็นสัจจะไหมเป็นสัจจะทิฏฐานเนี่ยเป็นสัจจะเป็นความตั้งใจมั่นเป็นต้นนะแม้ศีลก็เหมือนกันก็เป็นอย่างนี้แหละ เพราะอนุโมทนาไม่ให้ทานเสียหายคำว่าอนุโมทนาไม่ให้ทานเสียหายนี่เป็นสัจจะด้วยใช่ไหมไม่ให้ทานเสียหายก็อนุโมทนาไงเพราะสละสิ่งอันเป็นปฏิปักษ์ต่อมัชชริยะเป็นต้นถามว่าอันนี้เป็นจาคอาทฐานครับสละมัชชริยะสละโลภะสละโทสะสละโมหะเนี่ยสลัทิฏอุปสมบทอ่นี่งงนะจารคาเพราะระงับความกลัว ได้โลภะโทสะและโมหะในทายรรมเออถ้ามีทายรรมเนี่ยถ้าระ ง, งับถ้าไม่มีอุปสมา่าเนี่ยมันกลัวนะกลัวทายรรมหมดไงครับกลัวใช่ไหมกลัวงั้นต้องสงบระ ง, งับไอ้ความกลัวยกตัวอย่างเช่นว่าโอ้โหให้ได้ยังไงเนี่ย ต, ต้องไม่มีความคำนี้นะต้องสงบระ ง, งับอกิเลสกิเลสที่มันจะมารายงานกิเลสที่มันจะมาหลอกนี่ครับท่านพระธรรมทูเคยมีความรู้สึกไหมว่าเวลาอยากจะให้ใครแล้วก็เฮ้ยอย่าให้เลยเนี่ยถ้าให้เดี๋ยวเราจะไม่มีใช้เนี่ยอันนี้แปลว่าอุปสมาทิฏฐานไม่เกิดจึงไม่สามารถระ ง, งับอกิเลสที่เป็นเหตุทําให้จิตของเราเนี่ยไม่กล้าสละได้ แต่ถ้าใครมีตัวนี้แรงนะครับกล้ากล้ากล้ากล้าทําอย่างนี้เป็นต้นอตอนที่ท่านบําเพ็ญบารมีใหม่ๆที่ท่านสละอัตภาพตนเองให้กับเม่เสือที่ที่จะกินลูกน้อยท่านรู้เลยนะถ้าปล่อยจิตที่ตั้งประจิตปราเถนาสัมมาสัมพรทิยานมีอันตรายมากอันตรายก็คือกิเลสนี่แหละมันจะกลับใจเมื่อไรก็ได้นี่แหละอย่างนั้นเลยเนี่ย ก่อนที่กิเลสมันจะพกผ่านมาในใจเราเนี่ยเราจะต้องรีบทําในสิ่งที่เราปรารถนาเสเลยนี่เหมือนกันนะเวลาทานเวลาจิตคิดมีศรัทธาเกิดขึ้นมาต้องรีบทํานะครับอย่าไปอย่าไปช้าหรืออยากจะทําความดีขึ้นมาอย่าไปช้าเพราะกิเลสเนี่ยไว้ใจมันได้ ไ, ดไหมได้ไม่ได้ไม่ได้หรอกเพราะเบ็ดเสร็จนั้นก็มาเป็นนายเราอยู่เรื่อยนี่แหละฉะนั้นถ้าใครอยากจะสละอะไรอยากจะเจริญกุศลอะไรก็รีบทำเสีย จริงไหมท่านอาจารย์ว่าจริงไหมมองหน้าท่านอาจารย์ที่ไรท่านอาจารย์มองาผมจะบอกจะให้สละพระเครื่องไม่ใช่นะไม่อะไรนะญญญญอ๋อเพิ่มได้ขอให้ตั้งใจฟังเถอะเรื่องปัญญาไม่ยากครับเพิ่มฟังได้ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วในที่สุดจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยต่อไปเนี่ยท่านอาจารย์จะไปตะโกนอยู่น้นแหละหน้าพสาราวนทยานว่าชิตังเมตรงน้นแหละฮะตะโกนว่า <c oughs> ไงไ ม, ไม่ใช่ราะอันนั้นมันได้แต่ตะโกนอย่างเดียวแต่มันไม่ได้สละมัน <c oughs> <c oughs> เป็นอย่างนี้ ตะโกนจริงๆมันต้องสละด้วยตะกนด้วยใช่ไหมใช่ไมอห ม, อมบางบางแหง่งบางที่เนี่ยบางสำนักเนี่เขาตะโกนกันชีตังเมีชีตังเมยีเมยกันเต็มไปหมดเลยแต่จริงๆไม่เห็นชิ้ตังเมีเลยอ่ะใช่ไหมล่ะอชีตังเมจริงๆนี่นแปลว่าอุปสมาทิฐานานี่เด่นที่ฐานัางนี่เด่นมาก คือสามารถสงบระ ง, งับกิเลสในตนได้ชนะได้เด็ดขาดเนี่ยเหมือนกับท่านเอกสาดกเนี่ยไหมที่ว่าชนะในกรณีที่สามารถกระชากผ้าที่พันกายต น, นเองเนี่ยเข้าไปถวายพุทธเจ้าได้ในปิมยามไงใช่ไหมละ่ะในปฐมยามก็โอ้โหสี่ชั่วโมงนี่ต่อสู้กับมัชชริยะคิดจะสละหนึ่งครั้งแต่มัชชริยะก็มาลุมล้อมพันครั้งคิดจะสละหนึ่งครั้งแต่มัชชริยะก็มาลุมล้อม พันครั้งอย่างนี้ตลอดเวลาสู้อยู่สี่ชั่วโมงเอาชนะมัฉริยะไม่ได้ปฐมยามก็ล่วงไปพอมัชชิมยามเอาใหม่อีกฟังธรรมต่อไปพยายามจะสลัไอ้ผ้าเบือนเนี่ยหนึ่งครั้งไอ้มัฉริยะก็รุมร้องพันครั้งเล่นสู้กันนะปั้มกันวนะ่างั้นเอเหมือนกับกอดปั้มกันอย่างนั้นอนะ่ะอีก4ชั่วโมงเหงื่อแตกเลยเนี่ยไม่สู้ไม่ได้ป่าก็ไปถึงตีสองจาก4ี่ทุ่มถึงตีสองไม่สามารถชนะตัวมัฉริยะไดม้มันน่ารังเกียจมาก พอปัดฉิมมยามเอาแล้วแต่เนี้ยสู้กันอยู่พักหนึ่งอันชนะได้ท่านก็ถือผ้าเดินเดินเดินเดินไปต่อหน้าพราะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ถวายแล้วท่านก็ตะโกนว่าชิตังเมเยใชไหมล่ะเออเอางี้เอางี้เลยเป็นนั่งเดินไปนั่งที่สารลวโนทยานหโมงเช้านั่งต่อสู้เป็นสี่ชั่วโมงใช่ไหมถึงถึงถึงสิบโมงเช้า ถ้ายังไม่ชนะก็จากสิบโมงเช้าถึงบ่ายสองเอาถ้าไม่ชนะจากบ่ายสองถึงหกโมงเย็นถ้าสิบสองชั่วโมงยังไม่ชนะกลับไปก็เอ า, เอ า, เอาไปบูชาได้แต่นี่สงสัยสละสู้ไม่ได้แล้วก็คือตรงนี้ก็เห็นไหมว่าตรงนี้อุปสมาทิฐานังเด่นนะครับเด่นถ้าเด่นก็กในลักษณะอย่างนี้ก็จะสละได้ระ ง, งับได้นะเด็ก็ระ ง, งับอะไรเราบอกว่าระ ง, งับโรพะโทสะโมหะในทายธรรมนะครับ ถามว่าโลภะโทสะโมหะในไตรยธรรมเนี่ยมีวัตถุสิ่งของความโลภมัน ก, ก็ไม่อยากสละไอ้โทสะดันั้นมัฉริยาก็ไม่อยากสลักไอ้โมหะก็หลงหลงสําคัญว่าเป็นของเราว่า ง, งั้นสําคัญว่าเป็นของเราใช่ไหมครับเนี่ยถ้าดองมองชิ้นเนี่ยท่านท่านอาจารย์เอ่อถ้ามองว่าเนี่ยไม่เนี่ยครับไม่ไม่ที่จะมาที่ที่ใช้บรรยายเนี่ย ถ้าถามบอกว่าเป็นของเราซะแล้วเนี่ยไม่กาสล่ะนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาบรรยายไปเสร็จก็ต้องเอากลับแต่ถ้าคิดว่าเออเราดีแล้วต่อไปเขาจะได้เอามาบันทึกแล้วจะได้ใช้งานในที่เนี้ยเอามาเสร็จเอามาบรรยายเสร็จนี่สล่ะซะเลยอย่างมมนเงี้ยสมมติเนะฮะอย่างเงี้ยสล่ะได้เลยท่านอาจารย์รูปใดอยากได้ไมทำ ไ, ไมเนี่ยถ้าอยากได้ผมจะสล่ะเนี่ยอย่างเงี้ย มันยายเสงหมดตัวเลยฮะทนี้อย่าง น, นี้เขาเรียกสรียกสที่ประเด็นก็คือว่านี่เห็นไม้มเนี่ยคือสละในปฏิฆาหด้วยนะปฏิฆาหแปลว่าอะไรผู้รับใช่ไหมเอางี้เวลาเราจะให้ทานเนี่ยโดยมากเรากับปฏิฆา6เราจะเกิดโลภะหรือโทสะหรือโมหะกับปฏิฆาหดโดยส่วนใหญ่ ถ้ธาสมมติท่านอาจารย์เดินเป็นแถวมาแล้วผมก็ใส่บาตรตักตักข้าวถวายตักๆๆๆ ต, ต, ต, ตได้มากกับปฏิฆา6โดยมากจะเป็นโลพาทโทสานหรือเป็นโมหะกับปฏิฆาหได้มากโทสานต้องระวังนะบางทีไป ง, งดหิบใช่ไหมเอ๊ะเดินไม่ค่อยเรียบร้อยเล ย, เ อ, ยองค์นี้ไม่ค่อยสำรวมเลยอะไรก็แล้วแต่เนี้ยเนี้ยเขาถึงบอกว่าหนึ่งต้องอุปสมาธิฐานเนี่ยต้องสงบระงับราคะในไตยธรรมและโทสานในปฏิฆาหเป็นต้น ในปิกาหกเป็นต้นนี่นะแล้วก็ในทานด้วยและในความสิ้นไปแห่งทายธรรมแม้มพอให้ไปทายธรรมก็สิ้นไปสิ้นไปหมดไปหมดไปใช่ไหมล่ะแล้วใจก็หายเรื่อยโอ้โหเนี่ยวัวนนี้ก็ให้วัวนนี้มากันอีกแล้วไม่เคยหยุดหย่อนเลยคนขอเยอะเหลือเกินอย่างเงี้ยพอเห็นทายธรรมหมดไปสิ้นไปหมดไปสิ้นไปก็เริ่มใจเสีย ต้องระวังในลักษณะอย่างนี้ด้วยเพราะให้ตามสมควรตามการและตามวิธีและเพราะมีปัญญายิ่งนี่ก็เป็นปัญญาทิฏฐานังไปนะปัญญาทิฏฐานังก็คืออันหนึ่งศีลเป็นประทัดฐานของอธิษฐานสี่นะเพราะไม่ล่วงสังวรประทานเพราะสละความทุศีลเพราะสงบระงรับกายทุจริญวจีทุจริญมโนทุจริตและเพราะมีปัญญายิ่งอย่างนี้เป็นต้น เห็นไหมเวลาสรุปลงจะเป็นแบบนี้ครับใน4ประการเนี่ยสรุปลงได้ทั้งหมดแท้จริงในรายละเอียดตรงนี้มีเยอะเพราะสรบอีกอย่างขันติเป็นพธาฐานของอธิษฐานได้ไหมคันติบารมีเพราะอดทนได้ตามปฏิญญาก็คือตามสัจจะที่ตั้งใจไว้ก็อดทนไว้เช่นเอาล้ตั้งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ให้ความกโกรธเข้ามาไหลเข้ามาไหลเข้าสู่กระแสจิตของเรานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะนิพพาน หรือถ้าเห็นหน้าคนนี้เมื่อไรแล้วเราก็จะไม่โกรธอย่างเงี้ยตั้งสัจจะไว้อย่างเงี้ยพอสละการถือโทษของคนอื่นนะสลักพอสงบระ ง, งับความโกรธอันนี้เป็นอุปสมะและความหมกมุ่นเพราะมีปัญญายิ่งเพราะมีปัญญายิ่งอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมตัววิริยะเป็นประทัด ฐ, ฐานของอธิษฐานยังไงเพราะทำเพื่อเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นตามควรแก่ปฏิญญาณพูดไว้ว่าเราจะทําประโยชน์แก่คนอื่น ก็รักษาคําพูดไว้แล้วก็มุ่งมุ่งหน้าธรรมอย่างต่อเนื่องเพราะสละความสละสลวยเอาละสิก็สละเลยไหมสละเป็นจาฆ่าเพราะสงบระงับอกุศลคือบาปอากุศลแล้วทำมลาลโมกอันนี้เป็นอุปสมะพราะมีปัญญายิ่งในการวิจัยพิจารณาฌานก็เป็นประทัดฐานก็อธิฐานก็คือเพราะคิดถึงประโยชน์ของโลกตามสมควรแก่ปฏิญญาณไว้ ไอ้ตัวจาา่าคาธิฐานก็ฉลานิวรไงชานก็ฉลานิวร์หได้มีการมฉันทาเป็นต้นเพราะสงบระงับเป็นอุปสมะจิตเนะี่ยตั้งมั่นสงบไม่มีกิเลสเพราะมีปัญญายิ่งอย่างนี้เป็นต้นปัญญาเราเป็นประทัดฐานก็อธิฐานทำสี่ประการได้ไหมฉลาดในอุบายเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นตามที่ปฏิญญาณไว้ก็ความฉลาดนั่นเองตั้งใจไว้ยังไงตั้งสัจจะไว้อย่างไรก็เป็นผู้ฉลาด สละการกระทําที่ไม่มีอุบายก็สละทิ้งที่มันทําไม่ถูกต้องเพราะสงบความเร่าร้อนที่เกิดแต่มโมหะเห็นไหมเพราปัญญานี่ทําลายโมหะอยู่แล้วเพราะได้ความเป็นพระสัพพัญญูเป็นต้น น, นี่ในรายละเอียดตรงเนี้นะนี่นชี้ประเด็นให้เห็นว่าในรายละเอียดที่เป็นประเด็นคําถามบอกว่าเออถ้าในจริยาปีดกท่านกล่าวสี่ประการหนึ่งสัจจาธิฐานสองจาคาธิฐานสมอุปสมาธิฐานสี่ปัญญาธิฐาน สประการในยอลงสประการนี้แล้วในอธิษฐานทั้งสประการนี้เป็นอุปการะต่อบา ร, รมีทุกข้อว่างั้นต่อบา ร, รมีทุกข้อเลยก็ไล่ไล่ไปตามลำดับนี้นะมีมากถ้าจะไล่ไปตามลำดับนี้ใช้เวลาค่อนข้างเยอะทีนี้ประเด็นที่จะกล่าวตรงนี้ก็คือกล่าวในเรื่องของการบําเพ็ญบารมีธรรมของพระโพธิสัตว์คือตรงนี้ก็คือว่าพูดถึงตั้งแต่พระโพธิสัตว์ได้รับพยากรณ์จากพระทีปังกรใช่ไหม ในรายละเอียดที่แรกก็กาจะจับประเด็นในเรื่องของทุกบารมีก็กลัวจะไม่กลัวจะไม่ทันแล้วกลัวจะไม่ทันเออก็จะมองตรงนี้นะอสงไข่นี่นะพูดถึงในเรื่องของการที่ได้รับพยากรกับที่ที่มีในระหว่างแห่งพระพุทธเจ้าที่บังกรกับพระพุทธเจ้ากลนัญญาเป็นต้นน่ยนะนับจํานวนไม่ได้นะเวลาเสียสงไขยและแสนมหากัรที่พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายบำเพ็ญบารมีอะ ตั้งแต่ได้รับพยากรณ์จากพระทีปังกรคือช่วงระหว่างเวลาที่พระพุทธเจ้าทีปังกรกับพระพุทธเจ้าโกลทัญญานะเป็นอสงไขยหนึ่งระหว่างพระพุทธเจ้าโกลทัญยากับพระพุทธเจ้ามังคละนี่ก็เป็นอสงไขยหนึ่งนะอสงไขยคำว่าสงไขยหนึ่งเนะี่ยนับยังไงครับพอจะจับประเด็นได้ไหมเอาโลกแตกดั บ, ดบเท่ากับเลขหนึ่งตามด้วยเลขศูนย์ร้อศนั่นแหละหนึ่งอสงไข่ ฉะนั้นระหว่างพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยเป็นหน้สงไข่หนึ่งและสงไข่หนึ่งนะครับกว่าจะอุบัติเกิดขึ้นมานี่นี่ช่วงที่ที่ผ่านพระพุทธเจ้าแล้วเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ได้รับพยากรณ์แล้วนะครับเออเนี่ยจับประเด็นตรงนี้ให้ได้แล้วจะได้มองเห็นความยาวไกลของสังสารวัฏแม้แค่โลกแตกดับใบหนึ่งก็คนหัวลุกแล้วใช่ไหมครับเกิดมาไม่รู้กี่ล้านล้านอัตภาพว่างั้นไม่รู้กี่ล้านล้านอัตภาพแต่พวกเราเนี่ยเป็นประเภทที่ อนนี้ญาบุคคลนะไม่แน่นอนเลยนะเนี่ยบางคราวบางพบเรามาเกิดเป็นจิ้งหลีดเป็นตุ๊กแกก็ได้เป็นไส้เดือนก็ได้เป็นกิ้งกือก็ได้เป็นกบเป็นทากอเงี้ยบาง ท, ที่เป็นสัตว์ที่น่าเกลียดน่ากลัวก็ได้ใช่ไหมครับน่าสงสารตัวเองไหมถ้าจะไปเกิดเป็นทากตัวเล็กๆเนี่ยตายยัวเย้ยยวเย้ยเต็มไปหมดหรือไปเกิดเป็นหมูนอนในสุวมเงี้ยใช่ไหมเล่าสนุกไหมคิดว่าสนุกไหมสงสารวัดเนี่ย ไม่ได้สนุกอย่างที่คิดหรอกใช่ไหมล่ะแต่ความเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยก็ต้องเล่นกับสังสารวัฏแต่ถ้าได้รับพยากรแล้วก็ไม่เล็กกว่านกกระจอกใช่ไหมนกกระจาบเนี่ยแล้วก็ไม่โตกว่าช้างในนั้นยังมีโอกาสเป็นอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ไม่เกิดในเวทีมหานรกไม่เกิดในโลกการตริญาณนรกเป็นต้นในระหว่างพระพุทธเจ้าโสพิตากับพระพุทธเจ้าอนุมัติศรีเป็นอาศงไขหนึ่งนะครับและระหว่างพระพุทธเจ้านารทากับพระพุทธเจ้าปทุมุตตละก็เป็นองางไขหนึ่ง ส่วนระหว่างพระเจ้าอีกองหนึ่งที่มีหลายพระองค์นักกับก็คืออันตรกับเนี่ยนะครั้งนั้นพระโพธิสัต์เนี่ยสวยพระชาติเป็นพระเจ้าจากักรพรรดินาววิวิชิตตาวีครับได้ถวายมหาทานแด่ภิกษุสงฆ์จำนวนแสนโกฎแสนโกดนะซึ่งมีพระเจ้าเป็นประมุขพระปรมศ า, าสดาได้พยากรพระโพธิสัตว์ว่าจักเป็นพระเจ้าแล้วก็แสดงธรรม พระโิสัทนั้นได้สดับพระธรรมประกาของพระบรมศาสดา ค, ครั้งนั้นแล้วทรงมอบราชาสมบัติถวายราชาสมบัติเลยนี่นะเป็นพุทธบูชาว่างั้นเถอะถ้าถวายราชาสมบัติก็คือถวายแผ่นดินได้ไหมข้าราชาบริพารทั้งหมดทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมชัดไหมเนี่ยอย่างเงี้ยกล้าสละแบบเนี้ครับเนี่ยเป็นทั้งสัจจาทิถาเป็นทั้งเป็นทั้งสัจจาทิฐานัง สัจจะที่ตั้งไว้ยังไงก็ไม่ถอนความตั้งใจเป็นทั้งจาคาทิฐานังสละราชสมบัติแล้วก็สละกิเลสไหมถามว่าราชบัลลังก์นี่มีค่ามากไหมมีค่ามากเลยนะฉะนั้นของในย่ามนี่ค่าน้อยมากเอ๊ะทำไมวนอยู่ในย่ามท่านอาจารย์บ่อยเกินนี้ เอาแล้วไม่เริ่มชักไม่ค่อยสนุกเดี๋ยวพูดเรื่องอื่นะนะ่ตรงนี้ก็คือเนี่ยสลาลาชสมบัติออกพนวดพระองค์ศึกษาพระตรัยปิดกนะครับพระวินัยยาปิดกพระสุตตานตปิดกกับ พ, พิธรมปิดกจบต่อมาก็บำเพ็ญสมาบัติ8ดแล้วพิญญาห้าครับได้เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้ไม่เสื่อมจากฌานไม่เสื่อมจากฌานหลังจากพบนั้นไปไหนต่อไปพร ม, มโลก ไปพ ม, มาโลกต่อทีนี้ออในในด้านของพระโกนธัญญาพุทธเจ้าชื่อว่ารัมมดีเนี่ยรัมมะววดีเนี่ยพระราชบิดาก็ระนามว่าสุนันท า, าเป็นต้นไล่ไปตามลำดับนั่นแหละออในช่วงที่ศาสนาของพระชินเจ้าเนี่ยพระราชมารดาก็ชื่อว่าสุชาดาพระพัทธาและพระสุพัตธาก็เป็นอักขรส า, าวกพันุรุธาเป็นพุทธอุปถา ปฏิสาเทรีและติสาเถรีก็เป็นคู่อ克拉สาวิกาต้นไม้ที่เป็นที่ตัสรู้ก็ชื่อสารานันสารกัญญานีนะไม้รังงามนั่นแหละพระเจ้าองค์นี้กรทญญานายมีพระวรากายสูง88ศอกพระชนมายุแสนปีครับมีพระชนมายุแสนปีนี่ผ่านมาแล้วได้รับพยากร์ตอนเป็นพระเจ้าวิชิตายีบวี อต่อมาในการภายหลังพระทธเจ้าโกนธัญญาล่วงไปอีกหนึ่งกสงขย่ยในกลับเดียวกันนั่นแหละมีพระเจ้าบังเกิดขึ้น4ี่นะคือพระเจ้ามังคละพระเจ้าสุมาณะและพระธเจ้าเรวตะและพระเจ้าโสพิตะตรงนี้เวลาเราสวดกันนะนะที่ปังกาโลมาหาวีโรได้ส ว, ด ก, สวดกันบ่อยไหมนี้สวดกันบ่อยฉะนั้นการประชุมภาษาวกของพระเจ้าสมังคลาเนี่ยมีสามครั้งการประชุมครั้งแรกก็มีภิกษุก็แสนโกฏธ ครั้งที่สองก็พันโกรธครั้งที่สามก็มีเก้าสิบโกรธนี่ก็บรรลุหมดแล้วบุคคลเหล่านี้บรรลุหมดแล้วไม่มีเราอยู่ในนั้นนะเราเวลาคิดเนี่ยเกิดความสะเทือนสังเวทได้ทีนี้ก็คือว่าถ้ามองอย่างนี้ก็ถามพระพุทธเจ้าองค์อื่นนะ่ยถ้าถามว่าพระเจ้ามังคลานี่ยมีอนุภาพมากไหมตรงนี้นะออบอกว่าเรื่องที่กล่าวมานี้เป็นการประชมสาวก ครั้งที่สามของพระเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยพระรัศมีของพระเจ้าพระองค์อื่นนะมีราวแปดสิบซอกในะรอบแต่พระรัศมีของพระเจ้าสุมาลคานั้นนะ่ะไม่เหมือนกับพระเจ้าองค์อื่นองค์นี้น่าคิดมากคือมีพระรัศมีแผ่ไปหมื่นโลกธาตุเป็นนิดแปลกมากนะองค์นี้นะต้นไม้แผ่นดินภูเขามหาสมุทรเป็นต้นแม้กระทั่งหม้อข้าวเป็นต้นก็เป็นได้ได้เป็นเหมือนหุ้มไว้ด้วยแผ่นทองคําว่างั้นเถอะ แสงสว่างที่เกิดจากพกระวรกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดุจ ด, ดวงอาทิตย์นั่นแหละถามบอกว่าพระพุทธเจ้าองค์อื่นไม่มีอนุภาพหรือบอกมีอยู่แต่ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเมื่อจำ侬อยู่ก็แผ่รัศมีไปหมื่นโลกธาตุได้เหมือนกันนั่นแหละแต่พระรัศมีของพระพุทธเจ้ามังคลาเนี่ยแผ่ไปหมื่นโลกธาตุอยู่เป็นนิดด้วยอนุภาพของความปรารถนาในบุรุษชาตินะนะเหมือนรัศมีวาหนึง่งพระพุทธเจ้าพระองค์อื่นเนี่ยตรงนี้ก็คือพระพุทธเจ้ามังคลาเนี่ย เมื่อพมเพนบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ดารงอยู่ในอัตภาพเช่นเดียวกับพระเวสสันดรพร้อมกับบุตรและภรรยานี่นะที่ภูเขาวงกฏเหมือนกันนั่แหละมียักษ์อยู่ตนหนึ่งนะชื่อว่าคราธาธิกะมีเขี้ยวยาวมากยักษ์ตนนี้ทราบว่าพระมหาบุรุษเนี่ยอาศัยในการให้ทานวังนั้นก็แปลงเพศเป็นพราหม์ก็ไปทูลขอวังนั้นเด้อไปกูลขอลูกทั้งสองพระโพธิสัตว์ทรงตำหริว่าเราจะให้ลูกน้อยแก่พราหมณนี้ก็ยินดีเรลาล่าเริงตอนนั้นท่านไม่ได้กําหนดนะครับ ปกติเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยจะไม่ให้ไม่ให้แก่มานแก่ยักษ์นะครับจะไม่ให้ทานเนี่แล้วได้ประทานทารกทั้งสองโดยยังแผ่นดินให้ไหวจีดน้ํารองแผ่นดินว่า ง, งั้นเมื่อพระโพธิสัตย์ยืนเพ่งยืนพิงแผ่นไม้ที่ยึดไว้ในท้ายที่จงกรมดูอยู่นั่นแหละยักษ์ก็หักคอลูกตัวเองครับหักลูกหักคอกินต่อหน้าต่อตานั่นแหละว่า ง, งั้นพระโพธิสัตย ดูยักษ์แล้วแม้เห็นปากของยักษ์นั่นแหละทานโลหิตไหลประดุ ด, ดเปลวเพลิงเลยนะอ้าออกมาอย่างนั้นเท่านั้นก็ไม่ได้เสียพระไทยแม้แต่น้อยเลยว่างั้นเธอแม้แต่ปลายผมก็ไม่เสียใจนะว่างั้นพระองค์ดำรีว่าเราได้ให้ทานดีแล้วเนอบังเกิดปีติสมนัตอย่างใหญ่หลวง พระองค์ตั้งความปรารถนาว่าด้วยบุญยาพินิหานนี้ขอรัศมีจงสร้างออกไปจากสิริราชของตนเองเนี่ยเป็นหมื่นโลกธาตุว่า ง, งั้นแล้วตั้งอยู่เถอะเออตรงนี้ดูให้ดีนะเนี่ย่ปกติแนละ้วพระอริสัทจะไม่ให้ลูกแก่แ ก, ยกแ่ยักษ์อะแต่ยักษ์แปลงมายักษ์มันแปลงมาใช่ไหมครับไม่เห็นก็พอให้ไปเนี่ยแต่ท่านการสละเนี่ยท่านก็ต้องกําหนดโอ้นี้เรื่องนี้ถ้าเอาไปขยายผลเนี่ยจะโดนคนที่คิดไม่เป็นเนี่ยหักล้างเยอะนะเนี่ย เข้าใจใช่ไหมครับคือพอท่านสละสละก็ยืนดูฐานของท่านนะครับยักษ์ก็เริ่มกลายกลับกลายไงกลายจากามนุษย์แล้วกลับเป็นคนแล้วมีเขี้ยวโ ง, ง่ก็อ้าปากท่านก็เห็นได้โลหิตนะเวลาคือถ้าโดยสํานวนก็คือหักคอว่างนันเถอะหักคอกินอะ่ะเลือดก็พุ่งติดวับริ ษ, ษักดเลยแต่ท่านไม่สะทกสถานไม่กระทั่งปลายผมของท่านนะแต่กลับเกิดปลาโมดปีติแล้วท่านก็ตั้งจิตอธิษฐานบอกว่า ด้วยบุญกรรมที่เราทําอย่างยิ่งใหญ่กันในครั้งเนี้ยจึงเป็นปัจจัยต่อให้รัศมีตัวเองเแผ่ก ร, กระจายไปแล้วก็ตั้งอยู่นั้นพระเจ้ามังคลาสเนี่ยจึงมีจึงมีจึงมีรัศมีแผ่ไปหมื่นโลกธาตุนะครับตลอดการเป็นนิดพระพุทธเจา้าทุกองค์ก็แผ่ไปได้ทั้งนั้นแหละแต่จะไม่เป็นการเป็นนิดแบบนี้เออนนี้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องรัศมีก็สร้างออกจะแผ่ไปเพียงเท่านั้น ปุพัชจริยาย่างหนึ่งของมังคราพุทธเจ้าก็คือว่าพระองค์เนี่ยเห็นเจดีย์ทองของพุทธเจ้าองค์ก่อนเมื่อครั้งเป็นพริสัตว์ตำหนิว่าเราควรสละชีวิตบูชาพุทธเจ้าองค์นี้ว่า ง, งั้นก็พันศรีสรีละทั้งสิ้นน่ยด้วยประทีบก็หมายความว่าท่านเอาผ้านะครับผ้าพันพันพผ้ารถน้ํามันนี่แหละว่า ง, งั้นว่าก็เอาเนยสใสใส่ถาดทองควรแก่แสน ว่าแสนกะหาปะนะัญะมีปลายไส้สูงราวหนึ่งซอกจนเต็มแล้วก็จุดประทีพกับไส้นั่นแหละให้ถาดนั่นแหละลุกโพรงทูลถาดนั้นเหนือเศียรยังศรีระทั้งสิ้นในลุกโพงแล้วก็ทำประทักษิณเจเดีย์ตลอดลาตีหนึ่งเพั้นเถอเนี่ยเอาไฟเอาผ้าล้อมีก็จุดจุดแล้วก็เดินรอบรอบพระเจเดีย์อย่างเงี้ย อนีถวายชีวิตนะเป็นพุทธบูชานะครับมีมีพระรูปหนึ่งนะครับเออที่ประเทศไทยนี่แหละคงจะอ่านแล้วท่านคงคิดบูชาท่านเออท่านทำใต้ต้นโพครับต้นพระศรีมาพโพแต่ไม่ใช่โพที่พุทธกิจานยะท่านนั่งกรรมฐานแล้วก็จุดไฟเผาโอ้โหเรื่องเดือดร้อนมากเลย เออตำรวจก็ไปสืบเอ้ยพระอยู่ด้วยกันยังไงอะไรเงี้ยครับมีการฆาตกรรมเอ้ท่านได้บุญเนี่ยคนอยู่เดือดร้อนเลยเดียวโอ้ไปสืบเ้อตั้งนานเนี่ยท่านท่านของบูชาท่านนะบุญท่านคงได้เรียบร้อยไปแล้วบุญท่านเรียบร้อยไปแล้วโอ้นี่ตรงนี้นี่แหละนะว่าทํารักษาพูดประพฤติทำทําที่บุคคลประพฤติแล้วก็นําสุขมาให้ข้อ น, นี้เป็นอนิสงส์ในธรรมที่ผู้ประพฤติแล้วเนี่ย ผู้ประพฤติธรรมก็ไม่ไปสู่ทุกขติตรงนั้นก็คือว่าถ้าพูดถึงพระเจ้าของเราเนาะทีนี้ว่าในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ของเราเสวยพระชาติเป็นพราหมณ์ชื่อว่าสุสุรุจิดํามเรีว่าเราจะทูลนินมนต์พระบ ร, รมศาสดาก็เข้าไปเฝ้าได้สดับพระธรรมมันไพเราะแล้วข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์โปรด ร, รักษาข้าพระองค์ในวันนี้เถอะว่างั้นนะพระเจ้าก็ตรัสว่าพราหมณ์เธอต้องการภิกษุเท่าไหร่ พราหมณ์ก็บอกข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เยร่อเิศภิกษุบริวารขา อ, องพระองค์มีประมาณเท่าไรครั้งนั้นเป็นการประชุมสาวก ค, ครั้งแรกของพระบรมศา ส, าศาสดาบอกมีแสนโกรธมีแสนโกรธนะพราหมณ์ก็ว่าค่าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญขอพระ อ, องค์พร้อมด้วยภิกษุทั้งหมดบทรับภิกษาบอางั้นท่านก็ถวายอาหารอยู่เนี่ยพราหมณ์นิมนต์แล้วก็ในวันรุ่งขึ้นเมื่อเดินกลับบ้านก็คิดว่าเราสามารถจะถวายข้าวยาคูและพัด และผ้าเป็นต้นแก่ภิกษุเพียงเท่านี้ได้แต่ที่นั่งของภิกษุจะทำอย่างไรความคิดของพรามนั้นก็ร้อนไปถึงเท้าสั ก, กเอางี้นะครับวิธีการเดินทานกุศลเนี่ยนะท่านมหาเนี่ยเวลามหาไปนิมนต์พระเนี่ยมหากล้าไหมถ้าจะนิมนต์พระทั้งประเทศไทยแสนรูปกล้าไหมครับกล้าไหมครับ เนี่ยที่เราว่าเชื่อไหมถ้ามีปัญญาเนี่ยถ้ามีปัญญาเนี่ยนิมนต์เลยครับนิมน์เลยจริงๆอ่ะเพราะนิมน์จริงๆเนี่ยเท้าสกาก็ทนไม่ไหวเชื่อเถอะ อันนี้ใจไม่ถึงตั้งแต่ต้นแล้วอย่างนี้ยไม่ได้จริงๆถ้าอย่างนี้ไม่ได้ถ้าไนั่นจริงๆเนี่ยท้าสกาก็ทนดูไม่ได้หรอกพระแสนรูปมานี่ท่านจะปล่อยให้พระอดเป็นไปไม่ได้ลอง ท, ทําดีครับปรับกลับไปเนี่ยเอาเลยเริ่มทานบารมีข้อแรกเลยขอหนิมนุ์เริ่มจากน น, น้อยก่อนเอาเอาเอาในอําเภอทั้งหมดแล้วก็เอาในจังหวัดทั้งหมดแล้วก็เริ่มจากหนึ่งจังหวัด2จังหวัด3จังหวัด4ี่จังหวัดแล้วทั้งประเทศ มันได้จนได้เละใช่ไหมเอาเลยกลับไปเนี่ยนิมนต์พระทั้งอําเภอเลยทั้งพระภิกษุ ส, สามเณรด้วยจะเดินทานบรารมีว่างั้นได้ทําไมไม่ได้แหละมีแต่คนรู้ใช่ไหมคนไม่กล้าทํากันเองแหละผมแนะนํามีอยู่คนไม่กล้าพอทําไปทํามาเขาโอ้ท่านเป็นอย่างท่านว่างจริงไม่จริงได้งไงเป็นไปไม่ได้หรอกพระไปแล้วเนี่ยจะว่าแด่ มนุษย์มนุษย์ก็อยู่ไม่ไหวพากันโอ้โหดีอกดีใจกันเต็มไปหมดเลยเทวดาก็ชมพรมก็สรรเสริญทําจริงๆเนี่ยขอให้เดินขอให้ตรึกเรื่องทานให้เป็นก่อนนะก็ให้ทำเดี๋ยวไปหน้านิวคิ้วขมวดเป็นเจ้า ว, วาดนั่งหน้าแดงเดินไปก็เดินมาอยู่มันเสือติดจันทรยเครียดอย่างเงี้ยไม่เป็นบุญนะบุญไม่เป็นอย่างนั้นนะบุญต้องผ่องใสตลอดเช้าตลอดเย็นนะ่ะจำไว้แล้วง่ายมากนี่มนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องง่ายมาก ไปเท่าไรก็ดูแลง่ายจะตายยังไม่ฟ้ะเนี่ยบาทคนละใบแค่นั้นแหละมีเห็นมีอะไรเลยใช่ไหมนิ่มนท่านเอาบาทรมาด้วยนะครับผมจะบรรจุบาทรให้เต็มให้ฉันใช่ไหมล่ะบอกผมอยากจะทําบุญแบบสมัยครั้งพุทธกาลนะครับว่บา ง, งั้นพอท่านถือบาทมาก็หาพระหาโยมหาอะไรรับบาทท่านไปบรรจุเข้ามาถวายท่านนั่งเป็นแถวไม่ต้องไปใช้วงอะไรมากเลยท่านไปเป็นหมื่นก็ได้ใช่ไหมครับ แล้วก็ตั้งไอ้สำรับอะไรไว้นิดหน่อยแค่นั้นเองก็บาทถวายถวายถวายธนระบาดมาเนี่ยดูงามด้วยแล้วก็จากอาจากหนึ่งอำเภอเป็นสองอำเภอน้าเข้าหนเข้าทั้งจังหวดัดทานอัรมีต้องทำจริงๆถ้ไม่ได้ผมว่าพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินนะถ้าคนคิดเป็นในเรื่องตรงเนี้นั้นอย่ากลัว่าไม่มีเงินก็ทําได้ไม่มีเงินก็ทําไ ด, ไได้แต่ก่อนผมเจอมาเยอะแยะแล้วจัดประชุมพระที่ไหนเนี่ยไม่เห็นมีเดือดร้อนเลย เพอๆมีแต่กำไรขึ้นมาเยอะแยะมีแต่คนอยากจะทำบุญโอ้เป็นเรื่องลำบากลำบนอีกทีนี้จริงๆลําบากขึ้นมาหนะัเข้าหนะกเข้าเมื่อไรจะจัดแล้วท่านอาจารย์ย้อมอยากจะมาร่วมทำเกินใช่ไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นจริงไม่จริ ง, รง อ, อลองไปทำดูสิจัดกิจกรรมเลยบำเพ็ญทานบา ร, รมีเดือนละครั้งใหญ่เลยจัดใหญ่เลยเนี่ยไม่ต้องกลัวถ้ามันหมดนะ ทำไมไม่มีเออไม่มีอะไรต่างกันนี้ยงไงพระทํำไปโทษทั้งหมดก็โทรติดต่อให้ช่วยน่อยงานนี้กิจกรรมส่วนรวมเรารุ่นเดียวกันเนี่ยไปห้ามทิ้งกันนี่ใช่หมล้วอ่าก็เห็นเมื่อกี้ยังท่องอยู่เนี่ยรักใครกันเข้าใจกันอะไรต่างๆสามเมคีกันเนี่ยไม่ทิ้งอะไรเนี่ยจช่ไหแล้วมันมันเป็นแต่ราคาพูดไม่เอาแต่นี้ทําเลย ทำแล้วถ้าหากว่าไอ้ยผมไม่ว่างเอาไหนนะท่านลองปฏิญญาณพระธรรมทูต ด, ดูสิให้ฟัง น, นปฏิญญาณให้ฟังหน่อยทีท่านมาทิ้งได้ยังไงเนี่ยผมเดือดร้อนเนี่ยรู้ไหม <laughs> ใช่ม <laughs> ล่ะ <laughs> ชมล่ะกลับไปทําก่อนใครทําก่อนได้เปรียบอะ่ะเห็น <laughs> ไหมเอาคิดจริงๆนี่พูดเล่นหรือพูดจริงอ่ะ <laughs> พูดจริงนะเนี่ยไม่ใช่พูดเล่นนะเนี่ย แม่โยมก็ยังทําได้เราเป็นพระศักยภาพมากกว่าโยมไม่ทาไม่ได้ใช่ไหมล่ะเออพระนี่ศักยภาพมากกว่าโยมนีโยมยังทําได้เลยแต่ก่อนผมไม่ทราบนะเ อ, อ๊มีอยู่ครั้งหนึ่งผมบวชใหม่ๆเนี่ยนะครับเ อ, อ๊ผมก็ดูในพระไตรปิฎกว่านิมนต์พระห้าร้อบ้างนิมนต์พระเป็นพันบ้างผมก็ไม่รู้เ อ, อ๊ผมก็ไม่เคยเห็นเนะี่ยพระห้าร้อยพระเป็นพันเนี่ยนะมีอยู่ครั้งหนึ่งโยมเขานิมนต์พระพันห้าร้อยูปในกรุงเทพผมจําไม่ได้แล้วสมัยนั้นนะ่ะ ผมก็ลองผมผมก็ลองไปดูก่ะเขาผมมาเห็นว่าโอ้ผมผมขนลุกเลยนะผมไปครั้งนั้นเนะ่ะที่ขนลุกอะไรรู้ไหมผมนึกว่ามีแล้วในพระใจวิดกมาปรากฏแล้วเนี่ยว่างั้นนิมนต์พระพันห้ารอยรูปมีจริงๆเออเขานิมนต์ไปเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยนิมนต์แบบสบายๆกัน เ, เล ย, ลยอ๋อเคยไปใช่ไหม แ, แต่ไม่รู้ช่วงหลายปีแล้ว เนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยตรงนี้เหมือนกันพระโพิสัตท่านก็ท่านก็ทำแล้วเห็นไหมว่าเทวดาก็ทนไม่ไหวเนลมิตรเพศเป็นช่างไม้ถือมีดและขวานมายืนปรากฏอยู่ตรงหน้าพระโพธิสัตเนี่ยต่อไปถ้าเราจะทำํำจริงๆก็จะมีคนมายืนต่อหน้าเราแล้วก็ขอว่าท่านอาจารย์ให้ผมช่วยอะไรจะเป็นอย่างนี้แหละเรื่องกําลังของบุญเนี่ยไม่ธรรมดาหรอก ถามบอกว่ามีใครที่จะจ้างทำกิจการอะไรบ้างไหมามาบริบเห็นแล้วก็ถามบอกว่าท่านทำอะไรได้บ้างไอช่างไม้ก็บอกว่ามีศิลปะว่าไงนนในการก่อสร้างก็จ้างเลยแต่เนี้ยนะใช้เวลาสร้างความยาวไม่รู้กี่ตั้งสิบสามโยตว่าไเถอะเป็นวงกลมอย่างก ะ, กะสินนะ่เนี่ยแล้วก็มีการประดับประดาด้วยรัตนาต่างๆเป็นต้นอะไเนี้ย น, นะ ตรงนี้ก็คือพระองค์ก็ทรงอธิษฐานว่าขอเอาดอกไม้เอาอะไรต่างต่างเลเนี้ยถวายนีอันนี้อันนี้ก็เป็นการเป็นการถวายทานถวายทานแล้วท่านก็ได้รับพุทธบยากรนะพระมหาบุตรก็ได้พุทกบุรก่อนก็เลยเล่าจักเป็นบอกว่าพระาศาสดาทรงอนุโมทนาใคร่ครวรนู่ว่าบุรุษนี้ ทานที่ยิ่งใหญ่เห็นเช่นนี้เขาจะเป็นอะไรหนอก็เห็นว่าจะเป็นพระเจ้าน้ำวะโคตมะในท้ายของสองสงไขยแสนกับในอนาคตก็ตรัสเรียกบุรุษนั้นมาแล้วพยากรณ์ว่าเมื่อล่วงเลยการเพียงเท่านี้เธอจะได้เป็นพระเจ้าน้ำวะโคตมะมาพระมหาโพธิสัตว์ได้ฟังพยากรณ์ว่าเราจะเป็นพระเจ้านีการคลองเรือนจะมีประโยชน์อะไรท่านก็เริ่มแล้วเราจะออกบวชแล้วก็สละสมบัติเหมือนกับอะไร คายก้อนน้ำก้อนสเตเลตออกจากปากนั่นแหละแล้วก็ออกบวชในสำนักของ พ, ธธธธพระทศพลยานบวชแล้วก็เรียนพุทธพจน์บำเพ็ญอภิได้ปัญญาได้สมาบัติและตายแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมจนสิ้นอายุ ข, ขายอย่างนี้เป็นต้นนี่นี่คือพระเจ้ามังคละต่อมาพระเจ้าสุมาณนะในสมัยพระเจ้าสุมาณนะเนี่ยเอพระเจ้าสุมาณนะอุบัติเกิดขึ้นนะล่วงแล้วเนี่ย แม้พระองค์ก็มีการประชุมสามครั้งเป็นกันประชุมสาวกครั้งนั้นพระบริษัตวสวยพระชาติเป็นพญา น, นาคชื่วอวอตุระอตุระอตุระนี่แปลว่าไม่มีใครคืออตุระนี่แปลว่าช่างไม่ได้นะช่างไม่ได้ผู้มีลิฤทานุภาพมากพระองค์สดาว่าพระพุทธเจ้าบัตรเกิดขึ้นแล้วก็มีไปพร้อมด้วยญาติแวดล้อมเนีแล้วออกจากนากระพิภพนากรนะพิภพเนี่ยท่านเป็นพญา น, นาคเนี่ย มาประคมดนตรีบูชาพระพุทธเจ้าอยู่ผู้มีภิกษุแสนรูปเป็นบริวานรน่แหละถวายมหาทานแล้วก็ถวายผ้าคู่หนึ่งแต่ละองค์ก็ดำรงอยู่ในท่านก็ดำรงอยู่ในสรนคมแม้พระรมศ า, ศาสดาเข้าพยากรพระโพธิสัตว์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตพระนครของพระเนี่ยเห็นในในช า, าตินี้เป็นเป็นพญานาคต่อมาพระเจ้าเรวตะพระพุทธเจ้าเรวตตา ภายหลังพระบรมศาสดาเรวตะก็อุบัติเกิดขึ้น พ, พระเจ้าก็มีการประชุมสาวกสาครั้งเหมือนกันก็เป็นหนึ่งแสนนะครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพรามชื่อว่าอติเทพอดีเทพเนี่ยสดับพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาตอนนั้นท่านก็ตั้งอยู่ในสารนคมปนมอัญชลีไว้เหนือเศียรกล่าวสรรเสริญการขจัดกิเลสของพระบรมศาสดาพระองค์นั้นแล้วกบูชาได้ผ้าห่ม ตอนนั้นน่ยนะแม้พระศาสดาก็ทรงพยากรณ์พระโพธิสัตว์ว่าจะเป็นผู้ได้เจ้าในอนาคตเห็นไหมว่าจริงๆแล้วท่านผ่านพระเจ้ามาตามลําดับเลยเดีนี้นะผ่านมาตามลําดับไล่ไล่มาตามลําดับออตอนนี้ก็คือถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าการที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะที่ผ่านพระพุทธเจ้าเรวะตาพระเจ้าโสพิตาเป็นต้นพระเจ้าสุมาณะเป็นต้นเหล่านี้ กรไลไลมาตามลําดับเริ่มตั้งแต่พระธีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละถ้าถามบอกว่าฉะนั้นการที่เราบูชาพระชินเจ้าหรือบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยาาอานิสงส์มากมายเพราะว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านบำเพ็ญบา ร, รมีสิบอุปป ร, ปรมีแล้วก็ปรารธรรมบารมีถ้ามองมองอย่างนี้เห็นอะไรพอล่วงจากท่านมามีพระกรทัญญ่อุบัติเกิดขึ้นแล้ว ตอนนั้นนะ่ยที่ว่าเป็นพระเจ้าวิชิตตาวีพอล่วงไปหนึ่งสงข่ายก็มีพระเจ้ามังคละสุมาณะสพิตาอุบัติเกิดขึ้นในบรรดาพทธเจ้าเหล่านั้นในการที่พระเจ้ามังคละดังที่ได้กล่าวไว้แล้วตามลําดับเนี่ยทีนี้พอพอมาถึงสมัยพระเจ้าสมาณะเนี่ยที่บอกว่าพระพุทธเจ้าก็สวยพระชาติที่เป็นอดีเทพในลํลัมมาวดีเนี่ย ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าตั้งอยู่ในสนานนคมตอนนั้นพระพุทธเจ้ากล่าวสรรเสริญพระทศพล น, นะเออตรงนี้เวลาเราไปสวดบูชาคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยเออพระโพธิสัตว์ท่านบูชาหรือสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะท่านบอกบูชา 1,000 สโลก 1,000 สโลกคถา น, นั่นเองแล้วก็บูชาพระพุทธเจ้าด้วยผ้าหม่ม 1,000 งนี่มีราคา 1,000 กหาปะนะ พระบรมศาสดาก็พยากรณ์บอกว่าพราหมณ์นี้จะตัดสรุ้เป็นพระเจ้าในอนาคตเอาจากศาสนาพระเจ้าเทวต่าในการที่พระเจ้าโสพิตาพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพรามชีวิต อ, อชิตาได้ฟังธรรมแล้วก็ตั้งอยู่ในสารณาคมตอนนี้นท่านก็ถวายมหาทานเหมือนกันซึ่งพระเจ้าก็ทรงเป็นประธานสามเดือนพระบรมศาสดาพระองค์นั้นก็พยากรณ์บอกว่านับแต่นี้ไปสองสงไขยหนึ่งแสกับ ในนาคตรพราม์นี้จะได้ตัดสรุ้เป็นพรผู้เจ้ามีนามว่าโคดมเห็นไหมท่านในรับพยากรณ์นเนี้ยจากศาสน า, าของพระเจ้าโสวิตาล่วงไปอีกหนึ่งสงไข่มีพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นสามก็มีพระผท้เจ้าอนโนมัทศี ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าปทุมุตตระพุทธเจ้าพระนาระทะเออถ้าจําได้ไหมพระอโนโอมทัทศีเนี่ยพูดถึงประวัติของท่านภาษาริบุตร เห็นไหมภาษารีบทเนี่ยจะมาเจอพระเจ้าพุทธเจ้าอนุมัติศีเนี่ยและเจอเยอะสาวกของพุทธเจ้าที่มาเป็นบารมีในศาสนาของพระอนุมัติศีเนี่ยพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นยักษ์ตอนนั้นเป็นยักษ์ยักษ์เสนาบดีมีศักดาอนุภาพมากเห็นไหมเป็นพระโพธิสัตว์ได้รับพยากรณ์แล้วยังเกิดเป็นยักษ์นะครับยังเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะไม่ใช่ไม่เกิดว่างไงเออทีนี้มีอนุภาพมากเป็นเจ้าแห่งยักษ์ หลายแสนโกรธยักษ์เสนาวดีเนี่ยฟังข่าวว่าพระเจ้าบัตรเกิดขึ้นแล้วก็สร้างมณฑปประดับด้วยรัตนนาทั้งเจ็ประการต่อมาถวายทานแด่สงฆ์ซึ่งมีพระทเจ้าทรงเป็นประธานเจดวันพระบรมศาสดาพระองค์นั้นก็พยากรว่ายักษ์เสนาวดีว่ายักษ์เนี้ยจากตัสรู้เป็นพระเจ้าในอนาคตเนี่ยท่านก็ได้รับพยากรจากนั้นจากพระพเจ้าโนมาทศีนะ ในการเน่ยพระพุทธเจ้านาว่าปธุปฐุมปะปฐมนั่นเองพระพรุทธศาสวยประชาติเป็นสีหะสีหานี่คืออะไรเนี่ยเป็นราชสีได้เห็นพระพุทธเจ้าเข้านิโรธาสมาบัติเจ็ดวันนี่เป็นเป็นสัตย์ราาัจานนะตอนเนี้นะมีจิตเลื่อมใสเพราะ ง, งั้นและฤาษีนี่ก็ไหว้นะไหว้นะครับแล้วเดินเวียนขวาเวเดินเวียนขวาประทักษิณ เหมือนเราเวียนเดินเวียนขวารอบพระเจดีย์นั่นแหละเลื่อมใสมากสมมัดปิติและบรรลือเสียหนาสามครั้งบรรลือเสียหนาสามครั้งไม่ละปิติมีพุทธเจ้าเป็นอารมณ์มีพุทธคุณเป็นอารมณ์นะดูที่นีเจ็ดวันนะนะเจ็ดวันเนี่ยไม่ออกไปหากินนี่เป็นสัตว์เดราชฉานยังเจริญพุทธคุณได้ดีกว่าพวกเราเนียเนี่ยเออเวลาเราไป คิดถึงคุณของพระเจ้าหรือไปเดินรอบพระใจดีเนี่ยมีปิติเกิดบ้างไหมหรือเฉยๆ ม, มีใช่ไหม น, นี่นะอย่าให้แพ้ฤาษีอย่ให้แพ้ราชาสีเนี่ยราชาสีเนี่ยมีปีติมีพระเจ้าเป็นอารมณ์นะเป็นเวลาเจ็ดวันไม่ออกไปหากินเลยครับแล้วก็พอมีความสุขที่เกิดจากปิติท่านอิ่มอยู่กับปิตินั่นแหละต่อมาท่านทำการสละชีวิตยืนเฝ้าอยู่ใกล้ๆในครั้งนั้น ที่ยืนเฝ้าอยู่ใกล้ๆกละแปลว่าท่านถวายเป็นพุทธบูชาเหมือนเราไปนั่งเฝ้าพระเจดีย์อย่างเงี้ยนะเนี่ยถวายเป็นพุทธบูชาอย่างนี้แหละทีนี้พระศาสดาออกจากนิโรธสมาบัติตรวจดูจิตของสีหะตัวเนี้ยก็ดัมหรีว่าโอ้ศีหาเนี่ยทำจิตให้เลื่อมใสแม้ในภิกษุสงฆ์แล้วทรงดัมหรีว่าภิกษุสงฆ์จงมาว่าันไงท่านก็เลยบอกว่าเอาละท่านเลื่อมใสเฉพาะเราเนี่ยนะ สีหาเนี่ยอยากขนาดเลยพระพุทธเจ้าก็ดําริในใจให้ภิกษุสงฆ์มาภิกษุสงฆนะ์แสนรูปนะครับแสนรูปนะพอพิจารณาอย่างนั้นภิกษุประมาณไม่ใช่แสนเป็นหนึ่งโกรดนั่นแหละได้มาประชุมทีนี้ปีติอย่างมากก็เกิดขึ้นแก่สีหาเลยแต่เนี้ยไม่ใช่เห็นเฉพาะพระพุทธเจ้าอย่างเดียวมีพระภิกษุสงฆ์เป็นจำนวนโกรดเลยนะสิบล้านว่างั้นเถอะได้มาประชุมกัน ปีติสมณัตอย่างมากเกิดขึ้นกับศีหะเพระได้เห็นภิกษุเหล่านั้นและมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกด้วยต่อมาพระพุทธเจ้าก็พยากรณ์ว่าสีหานี้จกตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคโดมในอนาคตแม้สีหานั้นได้ทราบแล้วดูดว่าพระบรมดูดว่าพระดํารัดของพระาศาสดาเป็นภาษาของตนเลยว่าั้นเป็นภาษาอย่างนี้เป็นต้นทีนี้อยู่ต่อมาจากพระบรมศาสดาปฐมมาแล้วในการหนึ่งพระพุทธเจ้าพระนามว่านารทะพระโพธิสัตว์ออกบวชเป็นฤาษี บรรลุอภิญญานะีอยู่ในป่าหิมาภานเดนี้ยพระพุทธเจ้านาราทาเนี่ยวดล้อมด้วยพระรหัรแปดสิโกดอุบาสกผู้ดำรงอยู่ในนาคามีผลอีกหมื่นคนสเสด็จออกจากอาสมเพื่ออนุเคราะห์ดาบดเห็นไหมพระพุทธเจ้าแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยเวลาองค์เนื้อได้มีการพยากรณ์แล้วเนี่ยก็จะเลิกมนุเคราะห์แล้วดาบดเห็นพระพุทธเจ้าแล้วมีใจเบิกบานได้สร้างอาสมเพื่อให้พระพุทธเจ้าประทับพร้อมกับบริวาร น, นะ ก็กล่าวสรรเสริญคุณของพระบรมศาสดาตลอดทั้งคืน เ, เ, เวนลาเราไปสวดพรรณาคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราสวดได้แค่พุทธคุณนะธรรมคุณสังคุณแป๊บเดียวจบแลยนะเนาะเราไม่มีปัญญาในการคิดคุณเลยนะเออตอนอุบาลีขึ้นบดีเนี่ยบรรลุธรรมเนี่ยนะครับอุบาลีขึ้นบดีเนี่ยเป็น อ, อุบาสกแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยอุบาลีขึ้นบดีเนี่ยเป็นผู้นับถือพวกนิครน นิครณใช่ั้ยครับแล้วอยู่ต่อมาที่บอกว่าเออนิครณ น, นี่แหละว่างั้นาศาสดาหมหาวีรานี่แหละให้อุบาลีขันบุดีเนี่ยไปโตวาทากับพุทธเจ้าสว่วนคนที่เป็นรองจากจากนิครณก็ห้ามบอกอย่าอย่าไปโตนะถ้าไปโตกับพุทธเจ้าเนี่ยพพุทธเจ้าเป็นเป็นบุคคลที่มีมายามากว่างั้น ใครไปโต้ด้วยนะกับเนื้อกับตัวแล้วโดนมนมายามนกลับใจหมดแล้วว่างั้นนี่ครไอซาสดามหาเวลราก็บอกเป็นไปไม่ได้ที่คนอย่างอุบาลีก็อดีจะไปโดนท่านพระสมณะโคดมกลับใจว่างั้นมีแต่ว่าพระสมณะโคดมต่างหากจะโดนอุบาลีก็อดีกลับใจว่างั้นมานับถือเราในเรืองนี้ก็โดนทัดทานยังไงก็ไม่ฟังส่งไปจริงๆด้วยเรียบร้อย <c oughs> ใช่ไหมล่ะ เรียบร้อยอุบาลีเข้มามดีก็เลยกลายเป็นสาวกของพระเจ้าเป็นอุบาสกเป็นพระโสะดาบันด้วยออพอบรรลุเป็นพระโสะดาบันต่อมาก็เลยบอกกับพระเจ้าบอกว่าจะนิมนต์พระ พ, พร้อมได้พลิกสุสงฆ์นั่นแหละว่า ง, งั้นเธอพระเจ้าด้วยแล้วต่อไปก็จะรับให้ให้พระสงฆ์เนี่ยไปรับประทานที่บ้านทุกวนันพระเจ้าบอกว่า เ, ออเธอเนี่ยเป็นออประดุดดังเป็นท่าน้ําของนิครนเขาว่า ง, งั้นเธอ ถ้าอย่างไรก็ไม่ควรที่จะละการให้ทานจากจากการที่เคยให้ให้กันนิครนว่างั้นอุบาลีก็เลยศรัทธาพระเจ้าใหญ่บอกโอ้โ oh, ห oh, ยิ่งศรัท ธ, ธาใหญ่เลยว่าแหมถ้าหากว่าตนเองไปนับถือใครเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นนะคงจะไม่พูดในทำรองอย่างนี้ไปไปมาตั้งแต่นั้นมาอุบาลีก็ก็ให้ทานแต่ให้ทานกันนิครนไม่นับถือนิครนในฐานนะเป็นเป็นครูอาจารย์อีกแล้ว แต่ไม่ให้เข้ามาในบ้านด้วยให้รับทานที่ ท, ที่หน้าหน้าประตูบ้านทตนี้นิครนก็ก็เสียใจเดี๋ยวเอออะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับไ ป, ไปมาแต่นี้ก็เลยไปเองเลยนิครนเนี่ยนิครนไอศาสดาหมาวิรานี่ไปเองพอไปเบดเสร็จก็ไปบอกทางอุบาลีข้างหงพอดีก็บอกว่าเาไม่ต้องเข้ามาว่างน้นให้รออยู่หน้าประตูนั่นแหละว่างา น, นซุ้มประตูนั่นแหละแล้วก็ ก็เข้าไปหาพอเข้าไปเบียดเสียดแทนที่จะตั้งอาสนะของตนเองต่ําต่ํากว่าอาจารย์กะัะไม่แล้วตั้งอาสนะสูงกว่าเพราะตนเองเป็นพระโสดาบันใช่ไหมก็เลยบอกว่าอุบาลีนี่เธอเพี้ยนไปแล้วหรือเนี่ยว่างานวิพประดิษไปแล้วนี่อาจารย์นะในทรรนองอย่างนี้นะก็เลยบอกว่าไปสนทนาอะไรกับท่านสมณะโคดมมาถึงเก็กลายเป็นคนแบบนี้ไปพราะั้นไปไปมาอุบาลีก็หันไปทางพระผู้มีพระเจ้า ก็ประคองอัญเชลีแล้วก็กราบแล้วก็พรารนาคุณของพระเจ้าร้อยบทครับไปดูในพระไตรปิฎกนะสารเสริญออกมาเลยครับพูดป๊อปป๊อออกมาเลยแต่งเดี๋ยวนั้นเลยเนี่ยพระเจ้าเป็นพระอาหารเป็นผู้ไกลกิเลสแต่ไม่ใช่แค่เก้าวแล้วไม่ใช่พุทธคุเก้าแล้วพรรนาร้อยบทพอพรารนาเสร็จปุบ๊บเลือดนะครับเลือดอุ่นๆก็ออกจากศรีระของหมาวิราเนี่ยอวกออกมาเลยอาเจียนออกมาเป็นโลหิต เป็นลมเนี่ยลูกศิษย์ก็ต้องหามกลับเลยบอกโอ้โหตายแลยเสียลูกศิษย์ด้วยแล้วก็กระอักเลือดเลยครับก็อักเลือดเลยเนี่ยเสียใจว่าโอ้โหอะไรเกิดขึ้นขนาดเนี้ทําไมนอกจากไม่ตําหนิพระเจ้ายังสารเสริญคือฟังไม่ได้นะคนที่มีแรงลิษยาแรงโทสะที่มีกําลังมากเห็นว่าท่านผู้นี้ไม่ได้ศรัทธาเราอย่างเก่าแล้วไปศรัทธาคนอื่นเนี่ยทนไม่ได้อย่างนี้เป็นต้น เออตรงนี้ก็คือว่าเนี่ยพระบรมศาสดาก็ถา้าถ้ามองในลักษณะอย่างนี้ก็จะเห็นชัดว่าพุทธเจ้าเนี่ยถ้าใครไปนับถือเป็นระดับชั้นของพระโสดาบันแล้วเนี่ยไม่เปลี่ยนแล้วเพราะกิเลสในใจนะ่ยหลุดแล้วอย่างนี้เป็นต้นเอาต่อมาก็คือร่วงการผ่านไปนะพระเจ้าพุทธเจ้าโสพิตะอนมุมัทสีพนาระธาระพุทธเจ้าไล่ไปตามลําดับ จนไปถึงพระปฐุมุตตระพุทธเจ้าตรงนี้ก็ในครั้งนั้นพระโพธิสัตก็เสวยพระชาติเป็นชติละถวายทานทั้งจีวรเกยภิกษุมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกพระาศาสดาก็พยากรณ์ว่าในอนาคตจะได้ตัดสรู้เป็นพระุทธเจ้าเนี่ยนะและในาศาสนาของปฐุมุตตระเนี่ยที่น่าน่าสนใจก็คือไม่มีดีรัถีเลยครับไม่มีคนมา เหล่าเทวดานุนทั้งหมดถึงพระเจ้าเป็นที่พึ่งหมดเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อันนี้ก็ลองไปศึกษาในรายละเอียดดูไปดูในคำพีพุทธวงศ์นะครับและต่อมาก็พระเจ้าสุมเมทะนรลวงการผ่านไปอีกก็พระบริษัทระเกษพรชาติเป็นมานบชิว อ, อุตระสระทรพันโกดถวายมหาทานแด่สงฆ์มีพุทธเจ้าเป็นประมุขฟังธรรมและตั้งอยู่ในสารนคมนี้ออกบวชพระศาสดาก็พยากรเหมือนกัน จนถึงพระพเจ้าสุชาติพระบริษัตว์สวยพระชาตินะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วก็สดับว่าพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วฟังธรรมกฐถวายราชสมบัติทวีปทั้ง4ี่รัตนะจิกรการแล้วเนี่ยนะแกพิกษุสูตรสองมีพระุทเจ้าเป็นประมุกนี่ออกบวชเห็นไม่เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิถวายดูทรัพย์ที่ท่านถวายนะหนึ่งชมพูทวีปโลกทั้งใบนี้ท่านถวายเป็นพุทธบูชาอุตรากุรุทวีปก็ถวายเป็นพุทธบูชา ปบพาวิเทหะทวีปก็ถวายอปราโคยานะทวีปก็ถวายและทวีปน้อยอีกสองพันเป็นบริวาร น, นะครับเนี่ยถวายเป็นพุทธบูชาแล้วท่านก็สละออกบวชเลยฉะนั้นถ้ามองบอกว่าเออคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์ทั้งแผ่นดินจริงๆเนี่ยควรจะเป็นใครเนี่ยควรจะเป็นใครเนี่ยใช่ไหมถ้าถวายสิ่งใดต้องได้สิ่งนั้นเนี่ย ควรจะเป็นใครงั้นพระเจ้าจึงพอพอเป็นพระเจ้าจึงอยู่ในฐานะเป็นธรรมราชาครับเราไปที่เราไปที่ป่าอิสิปตนามรุคธายาวันจะมีคําว่าธรรมราชิกาโสถูนี่สถูของท่านพระธรรมราชาคือเป็นเจ้าของเจ้าของธรรมเจ้าของธรรมคืออะไรเจ้าของโลกิยธรรมและเจ้าของโลกุตละธรรมครับหมดไหมเนี่ยโลกุตละธรรมก็คือมรรคสี่ผลสี่นิพานหนึ่ง โลกียธรรมก็นเนี่ยในกรมปรภูมิรูปประภูมิมและรู ป, ปรภูมิทั้งหมดเนี่ยเจ้าของเนี่ยถ้าจะพูดถึงเจ้าของจริงๆต้องพูดถว่าใครพรุทธเจา้าแต่ศาสนาอื่นฟังแล้วทนไม่ได้เจ็บปวดรวดร้าวก็ต้องถามว่าอาสาสดางอาสาสดางคุณทำอะไรมาบ้างที่ควรจะเป็นเจ้าของอะโลกยียธรรมและโลกุตระธรรมเคยให้ทานสะละราช บ, บัลลังก์ไหมไม่เคยนี่พระพุทธเจ้าเนี่ย เคยเป็นจักรพรรดิไม่รู้ีอัฐภาพก็สละราชบัลลังก์สละโลกตั้งสี่ใบใช่ไหมพร้อมโลกน้อยๆเป็นบริวารอีกสองพันถวายเป็นพุทธบูชาเป็นพรมก็ถวายสมบัติของเท้ามหาพรมของพรมเป็นถวายเป็นพุทธบูชาเป็นท้าสก่าก็ถวายชั้นดาวดึงถวายชั้นจาตุมเป็นพุทธบูชาใช่ไหมครับแล้วมีโลกใบไหนล่ะที่พระองค์ไม่เคยไปเหยียบแล้วไม่ถวายอย่างนี้เป็นต้น เออถ้ามองในตอนอย่างเงี้ยถือว่าเป็นเจ้าของสมบัติไหมแบบนี้ไ อ, อ้พูดเกินไปไหมเกินไม่เกินเอาคนท่านสร้างใช่ไหมเนาะท่านสละทรัพย์ทั้งหลายที่สละก็ติดตามท่านไปในอัตภาพใช่ไหมเออตอนนี้ก็ให้พระธรรมทูตไปอ่านในธรรมทายาทสูตรในมัชฌิมานิกายมูระปัน น, นะครับอา่านหลายๆรอบ แล้วพระพุทธเจ้าจะบอกบอกว่าดูก่อนภิกษุ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาิอย่าเป็นอมิสทายาิของเราเลยเออพระบรมศาสดาสร้างบา ร, รมีมาเนี่ยวา ง, งั้นเธอสร้างบา ร, รมีมาเนี่ยวายวัตถุจดุปจัยมายางมากมายเลยเนี่ยวา ง, งั้นฉะนั้นพอแก่การที่จะเลี้ยงดูเธอเน่ทั้งจากทั้งทั้ ง, ท, งทั้งโลกวา ง, งั้นเธอเธอเข้ามาบวชในศาสนาของพระชิทเจ้าแล้วเนี่ย นันทรัพย์สมบัติของตถาคตมีเยอะไม่ว่าจะที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มยาอาหารเพราะงั้นตถาคตดูแลได้แต่อย่าเป็นอมิตสธาญาตของตถาคตเลยเพราะงั้นก็คืออย่าไปติดเพราะอามิตรเหล่านี้ตถาคตคลายทิ้งแล้วคายทิ้งแล้ ว, แ, ลวแต่สามารถที่จะเกื้อกูลกระแสชีวิตของพวกเธอได้แต่จงเป็นธรรมธาญาตใช่ไหมครับก็คือจงเจริญในศิกขาสามคือศีลสมาธิปัญญา เพื่อทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจะได้ประชุมในโลกุตระอย่างนี้เป็นต้นสรุปแล้วทั้งอมิสตาญาทั้งธรรมทายาเดี๋ยพระเจ้าก็เป็นเจ้าของใช่ไหมครับทั้งอมิสทั้งธรรมะนี่พระเจ้าเป็นเจ้าของอย่างนี้เป็นต้นอันนี้พอจะมองเห็นไหมเพราะพระเจ้าสะละราชบัลลังก์นี่ใช่ไหมเป็นจกักรพรรดก็สละสมบัติของจกักรพรรดถวายเป็นพุทธบูชาเมื่อสละแล้วเนี่ย ถ้าถามว่าเหตุปัจจัยเหล่านี้ถ้าถามว่านี่ไงคนครอบครองแล้วก็มียึดไม่เอาไม่เอาเป็นของตนครอบครองแล้วก็มียึดไม่เอามาเป็นของตนอย่างนี้ไปต้นเอาต่อมาก็คือพระพระุทธเจ้าตอนนี้ท่านเป็ น, ปนพระเป็นพระเจ้าจักรพรรดิพอมาถึงพระพุทเจ้าปิยัศสีพระพุทธเจ้าปิยัศสีเนี่ยนับจากพัทธกับนี้ไปในกับหนึ่งนะก็อยู่ที่ท้ายนั่นแหละร้อย พันแปดร้กาบมีพระเจ้าบังเกิดขึ้น3ามเนื้อพรเจ้าปิยทัศส์ศรีพระเจ้าอัฏฐทัศน์ศรีพทะเจ้าธรรมทัศน์ศรีพระธเจ้าปิยทัศนีมีการประชุมสาวกสาครั้งประชุมครั้งแรกมีภิกษุแสนโกดครั้งที่สองมีห้าเก้มี 90,000 ืโกดครั้งที่สาก็ 80,000 โกดนี่แหละครั้งนั้นพระปฏิสัตว์เสวยพระชาติเป็นมานนบเชื่อกัะสปาเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งไตรเพศนี่จบจบวิชาของไอไตรเพศเขา ของารามได้สดาปัตยธรรมเทนาของพระรมศาสดาบริจากทรัพย์หนึ่งแสนโกดสร้างสังขารามดำรงอยู่ในสารนคมและศีลทั้งหลายแล้วนะครั้งนั้นพระบรมศาสดาก็พยากรณ์บอกว่าผู้บริสัทธ์จะได้เป็นพ ok ุทธเจ้าจากนี้ล่วงไปพันแปดร้อกับนะต่อมาอัฏทัตสีพุทธเจ้าพระบริสัทธ์เสวยพระชาติเป็นดาบทมิลิทธ์มากที่ว่าสุสีมาส ได้ทําฉัดดอกมนทารบจากเทวโลกมาบูชาพระบรมศ า, ศาสดาแม้พระาศาสดาเขาพยายามบอกว่าจะเป็นพระเจ้าในอนาคตพอมาถึงพระพุทธเจ้าธรรมทัศสีในการนั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นเท้าสก่านี่เอาแล้วแต่นี้นี่เห็นชัดไหมเป็นท้าสก่าก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองจาตมกับดาวดึง ได้ทําการบูชาด้วยดอกไม้ของหอมดนตรีเป็นทิพย์แม้พระศาสดาก็พยากรณก็สรุปก็นั่นแหละท่านก็ขอถึงสารณะนะต่อมาพระเจ้าสิทธัตถะพระพุทธเจ้าสิทธัตถะพระพุทธเจ้าพระบริสัทเสวยพระชาติเป็นดาบทเชื่อมมังคละมีเดชกล้ามากถึงพร้อมด้วยกำลังของอภิญญาหได้นําผลว่าใหญ่มาถวายพระธรรคตพระศาสดาเสวย ผ, ผลว่าแล้วก็พยากรว่าจะเป็นพระเจ้าในกับที่94 ต่อมาก็มาพระติดสาพุทธเจ้าพระบริษัทธ์สวยพระชาติตอนนี้เป็นกษัตริย์และสุชาติมีพระราชสมบัติมีบริวารเยอะมากและต่อมาท่านก็ถวายเอาราชสมบัตินั่นแหละถวายแล้วก็ออกผนวดเป็นลือศีเป็นผู้มีฤทธิ์มากได้สดัาพุทธเจ้าบัตรเกิดขึ้นมาก็ถือดอกมณฑารบดอกประทุมดอกปริชาติที่เป็นทิพนั่นแหละบูชาพุทธเจ้าทำกลางพุทธบริษัททั้งสี่ พระศาสดาก็บอกจากนี้ไป9กกับจะได้ตัดสรุ้เป็นพระเจ้านี่โดนพยา ก, ก, ยากรณ์มาพระเจ้าพุทธเจ้าพุทสะ <c oughs> ตอนนั้นพระบริสัทก็เสวยพระชาติเป็นกษัตริย์เชื่อวิชิตตาวีต่อมาก็สะละราชสมบัติถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็บวชอีกแล้วก็บำเพ็ญนนะศึกษาจบพระไตรปิดกแสดงธรรมอักษาแก่มหาชน คนเลื่มสายเยอะแล้วก็บาเพญศีลบรารมีพระศ า, าสดาก็พยากรณ์ว่าจะเป็นพระเจ้าต่อมาพระวิปัสสีพทธเจ้าแต่นนี้นะตอนนั้นพระบริษัทธเป็นพญานาค ก, ก็ยังเป็นนาคอยู่นะมีฤทธิ์มากเชื่ อ, อตุลาเนี่ยแล้วก็ถวายต่างทองสูงใหญ่งามเป็นรัตนะทั้ง7แก่พระเจ้าแล้วพระเจ้าทํำนายว่าเกอดกับแล้วก็พาสิกีพระเจ้าพระบริษัทธก็สวยพระชาติเป็นกษัตริย์อีกชื่ออรินทราอรินธ ร, รนธมะ ได้ถวายทานพร้อมทั้งจีวรเด็กพลิกษูสงฆ์เป็นปมุกเนะือได้ถวายช้างแก้วโดวยประดับโดยรัตนะทั้งเจ็ถวายกับปิยพัณฑ์ด้วยกับ ป, ปิยพัณฑ์ก็ของของที่ควรแก่สมณะนั่นแหละประมาณเท่ากับช้างเชือกหนึ่งแก่พระบรมศาสดาพระศาสดาพยากรณ์ว่าจากนี้ไปสาอ็ดกาบจะได้ตรัสรู้ในนาคตก็มาถึงพระเวสภูพระเจ้า <laughs> เดี๋ยวจะสรุปตรงนี้นะสรุปให้เห็นการการบำเพ็ญบารมีตรงนี้จนถึงว่า พ, พระเวสสุภูพุทธเจ้าแล้วโพธิสัตก็เป็นเป็นกษัตริย์มีนามวาสุทัศนะก็ถวายหมาทานเป็นต้นเหล่านี้พร้อมได้พพุทธเจ้าพร้อมพิกสุสงฆ์ก็ได้รับพยากรนะ ตอนนั้นน่ะแล้วกพพ็พระเจ้ากัขุพระุทธเจ้ากักุสันทะตอนนั้นพระพธิสัตว์ก็เป็นกษัตริย์อีกชือเขียมะก็ถวายมหาทานแล้วก็จีวรแล้วก็ยาหยอดตาแก่ภิกษุมีพุทธเจ้าเป็นประมุขพอสะดับธรรมเทศนาเบรยเศษก็ถวายราชบัลลังก์อีกออกบวชได้รับพยากรด้วยจนมาถึงพระโกนาคนามณะนโกนาคนามณะพุทธเจ้าตอนนั้นพระโพธิสัตว์ก็ มีพระนามว่าบันพศแวดล้อมไปด้วยหมัวหมาไปสู่สำนักพระศ า, าสดาฟังธรรมบเบ็เสร็จก็ถวายผ้ามากมายได้รับพยากรมาถึงองค์สุดท้ายพระกัสสปาสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนี่องค์สุดท้ายแล้วที่รับพยากรพระพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นโชติปาละจำได้ไหมไปดูในคติการาสูตรในทีขันนิกายเนยะเออขอไปในมันชฌิมันิการ ในคติการะตอนนั้นนะ่ยท่านมีเพื่อนเป็นพรานาคานี่แหละชาตินี่ท่านไปทํากรรมใช่ไหมทำกรรมหนักด้วยนี่ใกล้ชิดด้วยนะทํากรรมก็คือไปตําหนีนั่นแหละเป็นผู้จบไตรเพศมีชื่อเสียงกระจรกระจายไปทั่วดินแดนเนยนะได้เป็นมิตรกับนายช่างหมอ้อชื่อว่าคติการะนี่แหละเออพระโพธิสัตว์นั้นเข้าเฝ้าพระศาสดากับนายช่างหมอ้หมอที่จริงไงตอนนั้นในรายละเอียดที่เล่าไปแล้ววันก่อนว่าท่านตําหนีว่าโพธิญาณ จะมีแต่ที่ไหนโพธิมนทนจะหาได้ง่ายแต่ที่ไหนนี่แหละไอ้คำพูดสองคำนี่แหละเป็นประโยคต่อการเป็นบาปอกุศลธรรมอัลาโมกเนี่ยนะและต่อมาท่านก็ออกบวชเรียนจบพระตรปิฎกเผยแผ่พุทธศาสนาเจริญล่อกงามนี่นะแล้วก็ที่สุดจริงๆท่านก็ได้รับพยากรนี่นะฉะนั้นโดยประการนี้พระโพธิสัตว์ได้รับพยากรจากสํานักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า24พระองค์นะครับยีพระองค์ มีพระเจ้าทีปังกรเป็นต้นบําเพ็ญบารมีมีทานบารมีศีลบารมีเป็นต้นสามสิบทัศน์นั่นแหละและท่านก็นมาพิจารณาเลือกเฟ้นธรรมนั่นแหละดังข้อความที่บอกว่าเออท่านตั้งความปรารถน า, าเพราะท่านประชุมองค์แปดประการแหละความเป็นพุทธเจ้าถึงพร้อมด้วยเพศถึงพร้อมด้วยเหตุเป็นต้นเหล่าเนี้ยไล่ามาตามลําดับเออตรงนี้แหละนะเป็นเรื่องชี้ประเด็นตรงนี้ให้เห็นว่า การอุบัติเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตรงนี้จะได้มองเห็นนะครับว่าออพระ บ, บรมศาสดาเนี่ยท่านบำเพ็ญบารมีมาแล้วก็ในที่สุดจริงๆท่านก็ได้ตัดสรุ่นี่ตัดสารุดคื อ, คอได้รับพยากรจากพระเจ้ายี่พระองค์ย4พระองค์นะไล่ไล่มาตามลำดับทีนี้ถ้าเรามองมามาดูในเนื้อหานะครับในเนื้อหาของพระธรรม ว่าในกรณีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านบำเพ็ญบารมีมาอย่างยาวไกลเนี่ยทำไมในศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เนี่ยเป็นไปตามลำดับจนถึงจนถึงองค์สุดท้ายที่ท่านได้เป็นพระพุทธได้รับพยากรครบยี่สิบสี่พระองค์แล้วเนี่ยนะพระพุทธเจ้าอุสเดชอุบัติเกิดขึ้นในโลกเนี่ย ถ้ามองมองอย่างนี้ก็คือเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะได้รับพยากรณในสํานักของพระเจ้ายี่สิบี่พระองค์มีพระเจ้ามีพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นพระทิบังกรเป็นต้นจนถึงกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตรงนี้ก็คือว่าด้วยอะไรด้วยอุตสาหะนะที่เป็นไปไม่ขาดระยะบําเพ็ญบา ร, รมีทั้งหลายแล้ว ตรงนี้เวลาเราศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ให้ น, น้อมว่างอนนน้อมบูชาด้วยนะบูชาพระจริยาคุณของท่านที่ท่านผ่านพุทธเจ้ามาอย่างมากมายเนี่ยมหาบุรุษนั้นน่ะท่านเวลาท่านบมเพ็ญบารมีเนี่ยท่านร้อนใจด้วยความทุกข์เพราะเห็นประชาช น, นระทมอยู่ด้วยความทุกข์ได้กระทำความการุณาในหมู่ประชาชนในหมู่ประชาชนเป็นนิ พระมหาบุรุษได้ทราบว่าวิธีนี้เป็นอุบายปลดเปลื้องประชาสัตว์เป็นผู้คงที่แล้วก็รับความผิดไว้ในตนในตำรวงี้นะคําว่ารับความผิดไว้ในตนเนี่ยมองยังไงมองถึงการสร้างบา ร, รมีเนี่ยคนที่จะสามารถบําเพ็ญบา ร, รมีเป็นพระสามาสัมพุทธเจ้าเนี่ยคําว่าโสนั้น น, นหมายถึงหมหาบุรุษเนี่ยผู้ได้รับพยากรณ์แล้วเนี่ยร้อนใจด้วยความทุกข์เพราะเห็นประชาชนระทมกัชาติทุกข ชาราทุกพยาธิทุกแลมรณะทุกก็ร้อนใจคือได้รับความลําบากได้รับความสะก ด, ดใจด้วยด้วยการเห็นความทุกขนั้นกล่าวคือมหากรุณานั่นแหละเกิดขึ้นกับพระโพธิสัตว์เพราะเห็นประชาชนได้รับความลําบากตกระกรรมลําบากคือความทุกขจากการหาทางออกไม่พบกรุณาก็เลยเบียดเบียนนะกำจัดความทุกขของคนอื่นคำว่ากรุณาแปลเบียดเบียนกําจัดความทุกขของสัตว์อื่น ทุกข์ขังนะี่คือความทุกข์เนี่ยแท้จริงความทุกข์มีสองอย่างนะทุกทางกายกับทุกทางใจใช่ไหมครับทีนี้้เวทนาทางกายเนี่ยเวทนาทางกายเนี่ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเวทนาทางใจก็เป็นทั้งสุขเป็นทั้งสมานัตเป็นทั้งโทมนัตเนี่ยแล้วเวขาเนี่ยนะ ทีนี้เวทนาที่เป็นไปทางมโนทวารเท่านั้นเป็นทุกข์ที่เป็นไปทางจากักุทวารก็ไม่ไม่ไม่เป็นทุกข์เป็นต้นถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่าเ อ, อบุคคลเนี่ยถ้าเห็นปฏิปทาของพระโพธิสัตว์อย่างนี้แล้วเนี่ยท่านบอกว่าให้ให้พิจารณาว่าบรรดาความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยที่เรียกว่าชาติทุกข์ช ร, ท า, ททราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์ ทุกข์เพราะการฆ่าการเบียดเบียนในโลกเป็นต้นความทุกข์ดังกล่าวเหล่านี้พระโพธิสัตว์ ท, ท่านเห็นท่านเห็นสัตว์โลกแล้วเนี่ยท่านทนทนดูไม่ได้ว่า ง, งั้นโดยเฉพาะทุกข์เพราะความเกิดแก่ความเจ็บและความตายทุกในอบายเนี่ยเห็นสัตว์ทั้งหลายเดือดร้อนในอบายเนี่ยในว่าจะทุกข์ว่าจะทุกข์ในอดีตว่าจะทุกข์ในอนาคตแล้วก็ทุกข์ในการแสวงหาอาหารในปัจจุบันพอพระโพธิสัตว์เห็นความทุกข์แปประการเหล่านี้เนี่ย มหาบรุษนั้นก็ตั้งแต่การเกิดเป็นสุเมธาดาบทก็เห็นมหาชนทั้งหลายเนี่ยตกลงอยู่ในหลุมของอัดของภพเหล่านี้ว่างั้นจะตกลม่มตกหลุมร่างกายหักแหลกละเอียดบางกลุ่มก็ถูกทุกใหญ่เนี่ยเบียดเบียน บ, ยบีบบีบคั้นเสียดแทงก็ไม่มีที่ต้านทานไม่มีที่เร้นไม่มีที่พึ่ง พระโพธิสัตว์ก็มีหัวใจก็หวั่นไหวด้วยกรุณาอดกลั้นความทุกข์ที่เกิดจากการถูกตัดมือตัดเท้าตัดหูตัดจมูกตัดศรีรษะที่หมู่ชนคนอันดาพานผู้มีโมหะปิดกั้นยิดยื่นให้แกตนได้กระทำความการุณเท่านั้นเป็นนิดนิรันดร์ว่า ง, ง้นตลอดกาลนานถ้าหมายว่าเอ๊ะทำไมเราต้องบาเพ็ญ บ, บารมีทาไมเนี่ยว่า ง, ง้นเออมาบำเพ็ญทไมบารมีเนี่ย เราต้องมาถูกตัดมือตัดเท้าตัดหูตัดจมูกต้องมาทนลำบากกว่างั้นก็เพราะสัตว์เนี่ยลำบากและคนที่มาทำแกท่านเนี่ยรล้วนแต่คนพานนะล้วนแต่คนมีโมหะปิดบังทั้งนั้นมาทนทรมานทำไมก็เพื่อพวกเราไงว่างั้นท่านก็คิดบอกว่าเราพยายามท่านว่างั้นพยายามปลดเปลื้องคนเหล่านี้ออกจากวัตทุก แต่คนเหล่านี้กลับมาเบียดเบียนเราว่าน้นเอาท้อไหมถ้าหากว่าเราไปเราตั้งอัธยาศัยเราจะช่วยคนจะช่วยเขาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นว่าช่วยงูเหา่าแล้วงูเห่ากัดเนนะ่เรายังอยากจะช่วยอยู่ไหมเออไปช่วยคนเนี่ยเราต้องการช่วยคนทุกคนใช่ไหมครับต้องการออกจากว่าจะทุกข์ แต่มันก็มีคนเบียดเบียนเราอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยถามว่าถ้าใจเบาๆจะบำเพ็ญบารมีได้ไหมเนี่ยบำเพ็ญไม่ได้หรอกที่ท่านกรมาพิจารณาว่าเป็นผู้มีใจเนี่ยวันไหวด้วยกรุณาตักเตือนอย่างนี้แล้วก็สแสวงหาอุบายคิดว่าเราจะพึงยกสัตว์เหล่านี้ผู้หลงแล้วอย่างเนี้ยผู้มีความอยากรุนแรงผู้สําคัญสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนเอสัตว์โลกเป็นอย่างนี้นะครับ เราเนี่ยไปช่วยเขาอย่างไงก็ช่วยสมัยก่อนก็เขาจัดบวชนะครับจัดบวชไอ้นักโทษออกจากคกุกตอนนั้นบวชสองร้อยห้าสิบรูปพอบวชเสร็จก็นึกว่าเอาละกลุ่มนักโทษเหล่านี้คงจะศึกเลยนะสองเดือนสามเดือนแล้วเนี่ยพลนประกฏแล้วไม่รู้ท่าไหนแล้วสึกไปสองสาคนนอกนั้นบวชต่อเอาไปฝากวัดไหนก็มีใครรับมอนท่านอาจารย์ แต่ละคนก็สักเต็มตัวหน้าตาอย่างกระหมาจนไงนะเข้าไปเนี่ยเอาไปครับถ้าเจอแบบนี้เอาไปรับไปจะเป็นลูกวัดไหมแล้วรับไปกี่รูปเนี่ยรูปนี้พอดีว่าติดภูมิสามปีแล้วก็อย่างที่ว่าไปไหนก็ไม่มีใครรับก็ไปหารก็หาบอกคำนี้เราจะให้โอกาสตั้งใจตวจริงแล้วบอกให้ผมมารับร แล้วโทรกับวัดไหมวัดยังอยู่ดีเปล่าเยอะดีแต่ว่าจะออกออกแบบไม่ค่อยเรียบร้อยเนี่ยพ่อปุริศาสตร์เนี่ยจะต้องมองมองลักษณะว่าเออเนี่ยเวลาท่านบรมเพ็ญบารมีเนี่ยนะพระมหาบุรุษนั้นนรับความผิดนั้น่ะคือความผิดเช่นนั้นที่พวกสัตว์นั้นๆกระทาแก่ตน ในการตัดมือตัดเท้าก็ต้องรับเออถ้ามองอย่างนี้ก็คือว่านี่ไงด้านด้านจิตใจนะถ้าคนจิตใจไม่ถึงหรือว่าใจไม่กล้าพอเนี่ยยากยากที่จะสามารถวางใจกับสิ่งเหล่านี้ได้โ อ, โ, อโอ้ได้แล้วทัันได้ อางั้นกลับไปก็รับสมัครก่อนที่จะ ม, มาเนี่ยเขาดีเขามีการปล่อยนักโทษสาม0มื่นกว่าคนปีนี้ลปล่อยสาม0มื่นกว่าคนเนี่ยตอนนี้เนี่ยในวันสำคัญนี่ลยตรงนี้ ก, ตก็ตรงนี้ก็พูดถึงในเรื่องของจริยาวัดของพระบริษัทใ ห, ให้ให้ฟังนะว่า ในด้านของจริยาวัดของพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเออพูดถึงในเรื่องของพระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทั้งหลายทรงบําเพ็ญบารมีทั้งหลายตลอดการมีประเภทต่างๆเนี่ยด้วยความปรารถนาในอภินิหารที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะเออต้องการชี้ชี้ประเด็นให้เห็นบอกว่าบรรดาพระโพธิสัตว์เนี่ยสัมมาสัมพุทธะเนี่ย พระมหาโพธิศาสตร์ก็บำเพ็ญโพธิสมภารเสร็จบริบูรณ์แล้วก็ในพบสุดท้ายก็บำเพ็ญบุญพระิกิทั้งสิ้นแล้วก็เสด็จขึ้นสู่มณฑลก็ตั้งปฏิญญาว่าเนี่ยเราจะไม่ทำลายบันลังจนกว่าจิตของเรานี่จะหลุดพ้นเห็นไหมเวลา น, น, นั่นคือความมุ่งมั่นถ้ามองอย่างนี้จะเห็นที่พูดวันก่อนผมพยายามนาเสนอเกี่ยวในเรื่องของบารมีเนี่ย เวลาท่านสั่งสมบารมีเนี่ยันจะมีอยู่ข้องที่เรียกว่ากําลังของฉันทะคือความรักไข่เนี่ยไอฉันท้าที่พระโพธิสัต์มีเนี่ยเขาเรียกกุศลลฉันทารักไข่ในการอบรมบารมีพอิญาณฉะนั้นจะต้องมีกําลังแรงมากไอตัวฉันท้าเนี่ยเป็นฉันท้าสมาธิประธานนสังขาร น, นั่นแหละเป็นความรักแรงมากในบรมโพธิสมภาร ประการที่สองก็คือวิริยะความเพียรในอันที่จะขวนขวายในการสร้างพระบารมีประการที่สี่จิตตะอันนี้เป็นกําลังเลยนะความตั้งใจอย่างมั่นคงในการที่จะบำเพ็ญบารมีให้ได้มาซึ่งโพธิญาณให้ได้จะไม่ยอมถอยประการที่สี่วิมังสาปัญญาที่พิจารณาว่ามีผลมากน้อยในการที่จะบำเพ็ญบารมีเพื่อจะให้ได้โพธิสมผารนั้นโพธิญาณนั้น ทีนี้กำลังเหตุทั้ง4ประการเนี่ยพระองค์ก็จะเอามาเป็นเอามาสแสวงหาอะไรสแสวงหาทรัพย์สแสวงหาทรัพย์ก็คือบําเพ็ญอะไรบําเพ็ญบุญกิริยาวัตถุสิบเออแต่เนี้ยเวลาพระองค์บําเพ็ญทานบา ร, รมี อ, อทานศีลภาวนาอปจายนะวิยาว จ, จะปฏิทานะปทานโมทนาธรรมสวัสธรรมเทศนาแล้วก็ทิฏฐิชุกรรมก็สรุปก็คือเอาตัวฉันทาวิริยะจิตตาปัญญานี่แหละ 4ประการนี่แหละเอาเป็นตัวกำลังในการแสวงหาทรัพย์ในการแสวงหาทรัพย์ก็คือเอามาบาเพญ็ญบุญเกรียวถูสิบมีการให้ทานรักษาศีลให้มากแล้วถามว่าเอาเอามาบำลุงอะไรมาบำลุงโยธาหารกยงนั้นก็คือกำลังน่แหละเอามาบำลุงไอ้กองกองกองทัพกองทัพสิบกองเนี่ยทานาเจตนายโยธาในกองทัพของทานบรารมี เห็นมเอาบุญกิจยาวัตถุเนี่ยมาบำรุงให้มีกำลังเหมือนกับหาสแสวงหาทรัพนั่นเองเพราะกองทัพเนี่ยมันจะเดินได้ต้องมีอาหารไหมต้องมีอาหารใช่ไหมครับฉะนั้นกองทัพของทานบา ร, รมีเนี่ยโยโย้มันขึ้นมาไม่ได้มันต้องมีอาหารศีและเจตนาโยธากองทัพของสีรละบา ร, รมีเนี่ยกองทัพเนคข ม, มเจตนาโยธากองทัพของเนคขมะบา ร, รมีปัญญาเจตนาโยธากองทัพของ ปัญญาบารมีวิริยะเจตนาโยธากองทัพของวิริยะบารมีแล้วขันติเจตนาโยธากองทัพของขันติบารมีสัจจเจตนาโยธากองทัพของสัจจบารมีอธิฐานะเจตนาโยธากองทัพของอธิฐานะบารมีแล้วก็เมตตาเจตนาโยธากองทัพของเมตตาบารมีแล้วก็อุเบกขาเจตนาโยธากองทัพของอุเบกขาบารมีตรงนี้ ท่านไม่ให้ปนกันนะบรารมีแต่ละข้อแต่ละแต่ละกองทัพเนี่ยท่านจะไม่ปนกันทานเจตนาก็ไม่ให้ไปปนกับศีลเจตนายโยธาก็คือจัดเป็นกองพลเป็นกองทัพขนาดใหญ่ที่จะเป็นการให้เอาอาหารเอาสแสวงหาปัจจัยแสวงหาอาหารมาบำบ u l o กองทัพเหล่านี้จะได้ให้มีกองทัพที่มีกําลังเออตรงนี้ก็คือเราเคยสังเกตไหมว่าทําไมกําลังของทานบรารมีของเราไม่แข็งแรง ท่านหมหาสังเกตไหมพราะอะไรไม่ได้กินอาหารไม่ได้กินอาหารคนถึงไม่กล้าไงเดินทานบารมีเดินไปก็ติดขาดติดขัดมันไม่ได้อาหารนั้นเราจะต้องแสวงหาอาหารเอาอาหารไปบํารุงใช่ไหมเอางี้กองทัพเนี่ยเราส่งกองกําลังทหารไปเนี่ยเพื่อจะไปสู้รบกับกิเลสเนี่ยแต่เราไม่ได้ให้อาหารเลยเนี่ยมันจะสู้ไหวไหม แต่กิเลสเนี่ยมันกินอาหารทุกวันไหมเอารูปไหมครับว่าอะไรเป็นอาหารของกิเลสโลภะเนี่ยมันมีอะไรเป็นอาหารอรโลภะนี่มีอะไรเป็นอาหารโลภะนี่มีอะไรเป็นอาหารก็มีอารมณ์มันเป็นที่รักไงเช้าใจไหมล่ะเป็นต้นแล้วก็ยังมีกองกำลังภายในอีกเยอะอย่างนี้เป็นต้น น, นนะนะ ในช่วงนี้เหลือเวลาประมาณ30สินาทีเนี่ยถ้าใครมีปัญหาเลยถามขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายตอนบ่ายมันจะมาสรุปพอสรุปมากไปกว่า น, นี้เดี๋ยวกลัวจะเวลาจะไม่พอด้วยถ้าตอนนี้นะครับถ้าใครมีปัญหาก็ยกมือถามได้เลยอันนี้หมดนะขออนุญาตถามพระอาจารย์รยนักวิทยากรครับ เ, เกี่ยวกับชาตที่ว่าไปเจอพระกัตถปัตสัมมาทิฏฐิเจ้าแล้วเป็น โชติกาใช่ไหมครับโชติปาละโชติปาละแล้วไปพูดโดมินแสดงว่าพระโพธิสัตว์ของเราเกือบจะได้บรรลุเุทธเจ้าแล้วยังมีความเมตต์ปิดไม่ยินดีต่อคำกล่าพพูธโตพูดโตหรือครับอ๋อคือย่งก็เป็นปัจจัยให้ต้องมาปฏิบัติบาเพ็ญเพียรตระมัดตมันถึง6ปีอย่างที่ท่านรวิทิตท่านถามเมื่อคาก่อนนะครับเป็น นอกจากก็เป็นการตรงนี้แล้วมาปฏิบัติผิดอกปีแล้วยัยงมีคํามตอบอื่นอีกไหมครับขออนุญาตครับคือคือคือเกี่ยวในเรื่องการมตอนที่เป็นโชติปาราเนี่ยถ้าถามว่าเาการเกณฑ์เป็นพระโพธิสัตว์แล้วยังมีความเห็นผิดไหมมีครับเผมจะยกสักชาติหนึ่งนะ <c oughs> มีอยู่ชาติหนึ่งนะครับท่านท่านปฏิบัติผิดครับปฏิบัติผิดแบบ แบบไปปฏิบัติแบบทรมานร่างกายอะ่ะเออท่านไปปฏิบัติผิดไปจนกใกล้จะตายแล้วเพราท่านท่านปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยนะท่านหลงผิดไปเนี่ยแต่พอนิมิตไม่ดีปรากฏกับท่านนะครับพอนิมิตมันไม่ดีปรากฏกับท่านเนี่ยท่านรู้ทันทีว่าทุกขติแน่นอนท่านเปลี่ยนนิมิตเดียวนั้นเลยครับว่าแ ร, แรงปัญญาท่านเร็วมากท่านเปลี่ยนนิมิตได้ทันแล้วท่านไปสุคติได้ เออนี่นะทีนี้ในชาติที่ท่านเป็นโชติปาราเนี่ยทําไมท่านเห็นผิดก็เพราะว่าตระกูลไงครับเวลาเกิดในตระกูลเนี่ยเป็นเรื่องปกติไอ้ตามธรรมดาเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านเห็นผิดโดยสิ้นเชิงนะตอนที่ท่านเป็นโชติปาราเนี่ยคนมีปัญญาอย่างที่ผมว่าไงคนที่คิดอะไรได้เร็วทิฏฐิมานะก็จะตามเร็วคือเชื่อคนยาก เออตัวนี้นะอันนี้ฐานเลยฐานที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยจากนั้นใครที่มีปัญญารวดเร็วทําอะไรประสบความสําเร็จแล้วแตกฐานไตรเพศอย่างเงี้ยรู้หมดในวิชาการในยุคนั้นเพื่อนก็ไม่แต่เพื่อนคบกันได้แต่ถ้าแสดงทัศนะเนี่ยหักล้างเพื่อนได้หมดแต่ไม่ใช่คําสอนเพื่อนไม่ดีนะเพื่อนเป็นผ้านาคารนะคติการะเนี่ยเป็นพ้านาคารนะไม่ใช่คําสอนไม่ดีนะ แต่ด้วยการที่ตนเองเนี่ยคิดอะไรเร็วแล้วก็ความเชื่อมั่นตัวเองสูงนี่แหละไอ้ตรงนี้ได้แหละไม่ใช่ท่านไม่เชื่อโพธิยานแต่ท่านบอกว่าเป็นไปได้ยังไงโพธิยานมันจะได้ง่ายแต่ที่ไหนนี่นี่ข้อหนึ่งว่างั้นเนี่ยโพธิมนทนหาได้ยากอย่างยิ่งนี่ข้อหนึ่งไอ้เนี่ยไอ้พูดเนี่ยถ้าพูดด้วยนะครับไอ้คำพูดของท่านเน่ยถ้า หนึ่งจิตที่คิดจะพูดเป็นกุศลหรืออกุศลนี่เป็นอกุศลอันนี้เป็นทิฏฐิฉะนั้นทิฏฐิที่เราเป่งวาจาชั่วออกไปเนี่ยไปกระทบคนธรรมดาก็เพราะว่านี่ไปกระทบสัมมาสัมโพธิญาณเขาให้ลองคิดดูนะเบื้องหลังของความเป็นพุทธะเนี่ยบรารมีสามสิบทัสเบื้องหลังของยาวไกลคือยี่สิบประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนหมหากราบบ้างสี่สบ้างแปสิบ้าง ลองดูสินี่คือไม่ได้กระทบบุคคลแล้วไปกระทบว่าโพธิญาณเนี่ยจะได้ง่ายแต่ที่ไหนนี่นะศัพท์นี่นะแต่เถียงด้วยทิฏฐินะครับโพธิญาณจะได้ง่ายแต่ที่ไหนใจในเพ่งไปปุ๊บทันทีไปกระทบอะไรกระทบโพธิญาณโพธิมณฑลที่ประทับนั่งตัสลุมันหาได้ง่ายแต่ที่ไหนมันยาก ท่านเองยังหาอยู่เลยทำนองอย่างนี้ใช่ไหมครับเอาละสีทีเนี้ยเนี่ยวาจานี่แหละอันวาจาชั่วตัวประหลาดนี่แหละมันร้ายกาศมันร้ายกาศพอไปกระทบอะไรกระทบสัมมาสัมพวิยาณครับและในขณะเดียวกันถ้าหากว่ากล่าวอีกคำนะกล่าวพิกว่าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพออาาระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลส ข้าพเจ้าเชื่อมัน่นปัญญาตรัสรู้มันจะคนลมุมเลยนะก็ไปกระทบเหมือนกันเห็นไม่วาจาที่กระทบคุณในฐานะไประลึกและเชื่อมัน่นกับวาจาไปกระทบในฐานะไปดูหมิ่นคุณนะผละนั้นผลมันก็ตระปัดกันเหมือนกันผลก็กลับถ้าถามว่าเอมันมองอย่างนี้ว่าเราดูอย่างปัจจุบันนะครับอดูหมิ่นขอทาน นะครับดูหมิน่นคนมีอานาจวาสนาก็ดูหมิน่นเหมือนกันนะไล่ไปตามดับเจนถึงขนาดดูหมิน่นผู้นําประเทศดูหมิน่นเจ้าพระเจ้าแผ่นดินทําไมกติกาสังคมเขลงโทษต่างกันคําวัดกันที่คุณใช่ไหมเนี่ยอันนี้อันนี้อันเดียวกันเนี่ยอันนี้ดูมิน่นอะไรเนี่ยสัมมาสัมโปวิยาณ น, นี่แหละครับใจเนี่ยใจที่ไปกระทบคุณเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัว ถ้าถามว่าเอ๊ะคนสร้างบา ร, รมีมาขนาดนั้นถ้ามองจากประโยคคำพูดของท่านเนี่ยท่านท่านเชื่อแต่ท่านเชื่อว่ามันได้ยากคือคำพูดเนี่ยท่านลองสังเกตดูนะว่าเอาเวลาพูดดูเหมือนดีแต่มันแฝงด้วยด้วยใจที่มันเต็มไปด้วยด้วยบาปเนี่ยเช่นว่าสวัสดีครับเนี่ยแต่พูดใจมันไม่สวัสดีได้แต่มันดูหมิ่นก็ได้นะ แต่คำพูดเนี้ยท่านท่านก็พูดดูเหมือนจะไม่แรงในประโยคถ้าไปอ่านดูในพุทธพจน์เนี่ยดูในคำสอนเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยเพราะเราเนี่ยท่านใช้คำว่าเราเนี่ยเกิดเป็นโชติบาระเนี่ยเพราะไปมินสัมมาสัมบริยานเราจรึงต้องลำบากฉะนั้นอากุศลกรรมก็ได้ช่องเราต้องบำเพ็ญทุกก์กระกิิยาหปี6กปีปก็เพราะกรรมนี่แหละเพราะงั้น เอาอีกกคำหนึงนะครับจะได้เห็นชัดขึ้นว่าทําไมพระพุทธเจ้าตอนที่ไปเวรัญชพรามาไปโปรดเวรัญชพรามในเวรัญชกันเนี่ยทําไมต้องกินข้าวแดงอยู่ตั้งสามเดือนนี่บาปให้ผลไหมนี่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะก็บาปให้ผลอีกนั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นเอาทําไมถึงถูกนางกินจมานวิกาดานางสุนทรีเป็นต้นเนี้ย อันนี้เรื่องเรื่องบาปนี่มันเป็นแบบนี้นครับแม้จะเสด็จดับขันธปรินิพานแล้วทําไมให้พระนรนไปตักน้ำสามครั้งน้ําก็ขุนเห็นไหมฉะนั้นถ้าเบื้องหลังจริงๆก็เนี่ย บ, บาปหรือตอนที่ตอนที่ห่อพระโลหิตเออขออภยัยตอนที่อาเจียนออกมาเป็นพระโลหิตนะครับตอนตอนที่ฉันข้าวที่บ้านนายจุนทกำมะละบุตร แล้วก็ทรงพระโลหิตออกมาเป็นปักขันทิกาพาดนี่แหละถามว่ากรรมอะไรตอนนั้นท่านเป็นหมอไงพอเป็นหมอเบสเสร็จเนี่ยก็ไปรักษาเศรษฐีไอเ้เศรษฐีคนเนี้ยขี้เหนียวใช่ไหมครับอ่าพอให้ยาไปแล้วพอทำท่าจะหายเศรษฐีเบี้ยวเงิ น, นยไม่ให้ไอ้คนมีปัญญาเนี่ยรู้ทันทีได้ไอ้นี่เบี้ยวเนี่ยเนี่ยไอ้ยา ก, กันนั้นเลยเนี่ยท่านก็ เศรษฐีก็บอกว่าไม่หายว่างั้นแต่ท่านมองตาท่านรู้แล้วด้วยความชาญฉลาดของท่านใช่ไหมท่านเป็นหมอที่ฉลาดมากนี่เอ้ย น, นี่ไอ้ น, นี่เบี้ยวกูแน่นอนนะในท้องนี้นะครับเบสใจก็ให้ยาใหม่ให้เจตนาแล้วเศรษฐีเออาการอาการซุดลงแล้วเศรษฐีก็ยืนยันยังไม่ให้เงินนะว่างั้นอ่ะท่านก็ให้ยาไปเรื่อยๆตายนะจนเศรษฐีอาเจียนเป็นเลือดอะ่ะนะ ท่านก็ให้ไปเรื่อยๆเอาสิยังไงถ้าไม่ให้เงินนะที่สุดจริงๆเศรษฐีต้องมายอมให้เงินนะถามว่าไอเจตนานี่ครับไอการกระทําก็เพราะว่าเจตนาที่คิดเนี่ยว่าเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับคนเช่นเราอะไอเจตนาที่ฝังฝังกโกรธว่าจะต้องสอนนะว่างั้นเถอะจะต้องสอนให้รู้จักหมอเช่นเราเนี่ยว่าเออมาหลอกหมอเช่นเราได้ยังไงฉะนั้นเราต้องจัดการเห็นไหมไเจตนาที่เป็นไปกับโทสะ เตณานายเป็นไปความโกรธความพยาบาทนี่แหละว่าจะสอนนั่นแหละเหมือนจะสอนเหมือนเราเราสอนบาลีตีเนเนี่ยทําเป็นบุญหรือบาปครับอ่าเป็นบุญหรือบาปครับผมเนี่ตีมาเยอะแต่ก่อนผมไม่ทราบเลยผมก็ว่าันตามนี่แหละท่านหมหาวิาเป็นบุญเป็นบาปตีได้เมตตาได้ไหมครับโอ้ยเมตตาตีไม่ลงนะเมตตาตีไม่ลงหรอก ใช่ไหมว่าตีไปว่าสัตเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกอย่างนี้หรือเปล่ามันไม่เป็นนะใช่ไหมะเห็นไหมตรงเนี้ยพอบาปนั้นให้ผลเป็นไงท่านก็อาเจียนเป็นอาเจียนพระโลหิตถามว่าเออกุศลกรรมทั้งหลายเนี่ยไม่เกงใจบารมีสามสิบทัศหรือไง ทำไมไม่เกรงใจว่ากระแสขันของท่านพวกนี้มีกุศลกรรมระดับเอกอุและยิ่งยวดในในการหล่อเลี้ยงรักษากระแสชีวิตแล้วก็มีบุญบา ร, รมีอย่างมากมายห้อมล้อมทําไมถึงผ่าบา ร, รมีเหล่านั้นแทรกบา ร, รมีเหล่านั้นมาให้ผลกับกระแสชีวิตของท่านพวกนี้ได้ทําไมไม่เกรงใจหนักไปกว่า น, นั้นก็คือพยามัจจุราชเนี่ย ทำให้ไม่เก่งวัฒไทยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างทําไมมาตัดรอนกระแสชีวิตท่านให้ท่านดับขันทั้งปณิยิพานเนี่ยขนาดพระทศพลยานมีพลกําลังสิประการเนะ่ยพลกำลังของพระบรมศาสดาประดุดเท่ากับช่างแสนเชือกแต่พอโรคปักขันทิกาพาดเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอาเจียนจนหมดประดุดเทน้ําออกจากกระบอกเนี่ยนะกำลังหายเกลี้ยงเลยเนี่ยไม่มีเลยเนี่ย แต่ด้วยสัจจะบารมีที่ตั้งว่าจะมานิพพา น, นาที่ตรงนี้เดินหยุดเดินหยุดเดินพักมาเนี่ยยี่สิบ้าครั้งใช่ไหมครับนั่นไงพระมหากรุณาธิคุณว่าทำไมต้องมาปริิพาน์ที่กุสินาราหนึ่งต้องการโปรดสุภัทธาปริภาชคสองต้องการทำมหาสุทัศนะให้ปรากฏใช่ห มาสัทสุใทพปรากฏในเรื่องราวว่าพระ อ, องค์เนี่ยเคยมาทิ้งขันทภาราหน้านะที่นี้เป็นครั้งสุดท้ายและจะมาทิ้งครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายยังไงแล้วก็ต่อมาก็คือว่าถ้ามาปรินิพพานหน้าที่ตรงนี้แล้วเนี่ยการแย่งชิงพระบรมสารีเลขาธาตุจะไม่เกิดขึ้นเพราะโทณพารามเนี่ยจะเป็นผู้มาจัดแจงในการที่จะแบ่งพระบรมสารีเลกาธาตุอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับเออตรงนี้พวกเราก็ลองดูว่าเออกุศุรกรรมเนี่ยมันไม่เกรงใจแล้วครับ ตรงเนี้เป็นแรงที่ทําให้เราต้องสะดุ้งสะเทือนและเกิดความหวั่นไหวว่าบารมีของพวกเราเนี่ยไม่มีเลยมีนิดหน่อยเนี่ยฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าบาปมันจะเก่งใจใพวกเราขนาดพระบรมศ า, ศาสดาสร้างบารมีมาขนาดนั้นเนี่ยยังยังเจออกุศลกรรมเบียดเบียนเล่นงานขนาดนั้นว่างั้นเออมาพิจารณาอย่างนี้แล้วจะได้ไม่ประมาทตามที่พระพุทธเจ้าบอกไว้นั่นแหละอันนี้ประเด็นนี้พอจะจับประเด็นได้นะครับ เอาเลือีกสิบกว่าในทีที่นี้ประเด็นต่อมาคือว่าเรื่องเรื่องกองทัพนี่แหละในหมู่ของบารมีต่างๆเหล่านี้เนืถ้าเรามองดูในการที่ท่านที่บำรุงกองทัพทั้งหลายเหล่านี้ของท่านเนี่ยในกรณีที่กองทัพของทานนะเจตนาโยธาศีลเจตนาโยธาเป็นต้นเหล่าเนี้ยอันนั้นบ่งบอกถึงกําลังของบารมีทั้งหลาย ถ้าพูดอย่างนี้ก็คือพระโพธิสัต์ทุกพระองค์เนี่ยได้รับพยากรณ์แล้วเนี่ยว่าจะต้องได้ตัดสรุ่นี่ท่านก็พิจารณาพุทธกาลธรรมดังที่ได้กล่าวในเรื่องของชานาบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเป็นต้นเหล่าเนี้ทีนี้ในเรื่องของบา ร, รมีศีประการเนี่ยว่าบรรดาพระโพธิศัตว์ทั้งหลายกว่าจะสามารถสร้างบา ร, รมีเหล่านั้นให้บริบูรณ์เต็มที่ได้เนี่ยจนกระทั่งได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่นะไม่ใช่จะสร้างบา ร, รมีเพียงเล็กน้อยสิบชาติยี่สบชาติตั้งกล่าว โดยที่แท้ต้องใช้เวลาสร้างตั้งเป็นอสงไขยเป็นแสนแสนกลับเนี่ยพระพุทธเจ้าสร้างบา ร, รมีเนี่ยแต่ละชาติเนี่ยจึงไม่เท่ากันนะบางชาติก็สร้างอย่างธรรมดาสามัญแต่บางชาติก็สร้างอย่างอุกฤษสูงสุดทีนี้ท่านก็จําแนกจําแนกออกเป็นสามชั้นที่กล่าวไว้นั่นแหละที่เรียกว่าพุทธบา ร, รมีตรียางที่บอกว่าจัดเป็นบา ร, รมีอย่างธรรมดาสามัญประเภทหนึ่ง และอย่างมัชชิมะอย่างปันกลางนั้นประเภทหนึ่งและอย่างสูงสุดอุกฤษนั้นประเภทหนึ่งก็เรียรวมเป็นสาสิบทัศนที่บอกว่าทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีนั้นอย่างธรรมดาและทานนอุปปา ร, ปรมีศีลแอุปปา ร, ปรมีใ น, นอย่างปันกลางหรือมัชชิมะถ้าทานนักปรมัตถบารมีเป็นต้นเหล่นี้จนถึงเวขาป ร, รมัตถบารมีนี่เป็นอย่างอุกฤตในทานบารมีที่บอกบริจาคทั้งภายนอกคือทราบสมบัติเป็นต้น ถ้าอุปปาลมีก็บริจาคอวัยวะถ้าปรมัตก็บริจาคชีวิตในบารมีทั้งหลายก็จะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้พระเจ้าของเราก็สร้างมาสี่สงขา ย, ยิ่งด้วยแสนมหากรัป น, นี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้เออถ้าถ้ามองในชั้นของคุณของพระเจ้าถ้ามองในด้านของพระมหากรุณาธิคุณนะอีกมุมหนึ่งก็คือว่าเออการที่พระองค์เนี่ยทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์ทุกจําพวกกันหาประมาณไม่ได้เนี่ย ในโลกกะทาตอันหาประมาณไม่ได้ด้วยมหากรุณานี่นะทรงมีพระประสงค์ที่จะนําสัตว์เนี่ยออกจากวัฏทุกข์ออกภัยให้พ้นจากภัยจากวัฏสงสารเนี่ยเออถ้ามองเนี่ยว่าเอการสําราญเนี่ยที่บอกว่าทั้งที่ความจริงแล้วตอนที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นสุเมธาดาบทเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้เราก็จะเห็นนะว่าโอ้ถ้าเป็นบางคนก็กลับแต่ว่าท่านก็มุ่งมั่นในการที่จะสร้าง ปณิธานในการที่จะเป็นพระเจ้าเหตุนั้นถ้ามองมองอย่างนี้จะเห็นพระมหากรุณาธิคุณและจะมองเห็นสัมปทานนะครับถ้าเรารวมว่าสัมปทานมีสามอย่างมีเหตุสัมปทานผลสัมปทานแล้วก็สัตว์ตูปการะสัมปทานเหตุสัมปทานนี่พูดถึงอะไรบ้างคือความเพียบพร้อมด้วยพระมหากรุณาธิคุณคก็นับอย่างนี้นะครับถ้าคําว่าเหตุตูสัมปทานเนี่ยนับตั้งแต่การบําเพ็ญบา ร, รมี30มสทัศน ทั้งหมดเลยถือว่าเป็นเหตุหมดเลยนะั้งบำเพ็ญบารมี30ทัก20ี่สิประสงไกมาเนี่ยแม้มหาวิปัสนาญาณของพระสัพพัญญูก็เรียกว่ามหาวชิระญาณที่ ป, ปัญญาดังคาถาเพชรใหญ่เนี่ยพระเจ้าเนี่ยมีปัญญาเวลาเข้าสมาบัติก็สองล้านสี่แสนกดสมาบัติให้เกิดขึ้นที่พวงไม้โพธิพึกอันนั้นนับเข้าไหนเคตูสัมปทา พอจะบอกเห็นไหมบารมีทั้งหมดที่สร้างมาทั้งหมดจนมานับถึงมหามหาวิชิระยานหรือมหาวิปัสสนาญาณของพระสัพพัญญูที่เกิดขึ้นแล้วที่โพธิมณฑลสองล้านสี่แสนโกสมาบัตรทั้งหมดนะนับย้อนไปทั้งหมดจนถึงวิปัสสนาญาณเนี่ยอันนี้เรียกเขีตุสัมปทาเอ่อทำไมบอกว่า มหาวิปัสนาญาณนั้นเป็นประทัดฐานของอะไรของโพธิญาณอันประเสริฐก็หมายความว่าตัวมหาวิปัสนาญาณเนี่ยเป็นประทัดฐานของอารหธรรมะนี่ไรอย่างนี้นะเออตัวมหาวิปัสนาญาณเนี่ยเกิดขึ้นด้วยอํานาจของพวกสมาบัติทั้งหลายมีพวกปฐมฌานเป็นต้นกลุ่มสมาบัติทั้งหลายมีปฐมฌานทั้งหลายเหล่านี้ก็เกิดขึ้นด้วย อำนาจของศีลศีลในภูมิสีปาติโมกสังวรศีลเป็นต้นไอ้ตรงนี้ก็เข้าในหลักกศีเลปฏิฐายานโรสปัญโยนั่นแหละศีล น, น, นรชนผู้มีปัญญาตั้งมั่นแล้วในศีลศีลในภูมิสี่นี่พระโพธทธศาสนาเราเนะีนะ่ยตั้งมั่นในศีลศีลในภูมิสีก็บำเพ็ญมาอย่างยาวไกลนั่นแหละแล้วอบรมสมาบัติหรือสมาธิก็คือสมาบัติแปด แล้วก็ต่อด้วยมหาวิปาาัสนาญาณเยอะมากม า, ายวิัสนาญาณนะฉะนั้นกลุ่มมหาวิปัสนาญาณมีนามรูปปรเรเฉทญาณเป็นต้นเหล่านี้สิ่งต่างๆนี้เป็นประทาฐานของอรรถมรรขยานที่ทรงได้แล้วที่โพธิมณฑนเ น, นี่ยนะครับอันนั้นปัญญาก็นับเข้าในไหนอีกนับเข้าในปหาน้ปัจจสมปทาส่วนผลสัมปทาการละ ก, กิเลสพร้อมทั้งวาสนาที่เคยชินเนี่ยนะ ความบริบูรณ์ทั่วทวน ท, ท, ทั้งหมดในการกําจัดกิเลสโดยองค์ธรรมก็ได้แก่อริยมรรคทั้ง4ี่พระพุทธเจ้า ก, ก็ทําให้เกิดขึ้นนั่นแหละที่โพธิมณฑลนั่ น, นแหละโซดาปฏิมรรคสกาธาคามิมรรคนาคามมครมรรคก็ได้หัตถมรรคทำให้เกิดขึ้นที่โพธิมณฑลนั้นทยานะสัมปทานีพวกสัพพัญยุตยานและพระทธสบรย า, ยานที่กล่าวเมื่อวานก่อนที่มีฐานาฐานัญาณเป็นต้นจนถึงอาสวัคคายานไปที่สุดนี่คือยาณสัมปทา อนุภานะอนุภาวาสัมปทาก็คือถึงพร้อมด้วยศีลคุณและอำนาจฤทธิ์ด้วยอนุภาคที่ไม่อาจจะคาดเดาได้พระพุทธเจ้าเนี่ยมีฤทธิ์ที่ไม่ไม่สามารถที่จะคาดเดาได้นะรูปปการยะสัมปทานี่ไม่มีใครเสมอเพราะสัมมาสระพุทธเจ้าคือมหาพุทธสารขนาดสามสิการและนุพยัญชนะ80ตลอดถึงถ้าศัตรูปการยสัมปทามีสองอย่างอาสยาสัมปทากับปโยคสัมปทา อาสยามสัมปทาคืออัตยาัยที่เกื้อกูลเสมอในสัตว์ที่ปทุสร้ายเช่นอย่พระเทวทัตเนี่ยกับพระราหุ่นเนี่ยท่านจะมีความรักเสมอเหมือนกันนี่ก็เรียกว่าอาสยามอาสยาอาสยะอาสยาอาสยาสัมปทาเกื้อกูลสัตว์แม้ปทุสร้ายตนเองก็เกื้อกูลซึ่งซึ่งยากที่บุคคลอื่นจะทําได้แล้วก็ประโยค่สัมปทาคือความบริสุทธิ์ในความเพียรในการแสดงธรรม ไม่ได้เพ่งลาบสกาละพระอาจาบอกเอ๊ะมี ม, มีมีคนจะบรโลอยู่คนเดียวแต่อยู่ไกลเหลือเกินเนี่ยวันนี้เราเมื่อยไม่ไปดีกว่าอาจารย์อาจารย์เป็นไหมครับแต่มีคนนี้มนวันคนเดียวเองแต่เขาให้เดินไปเองเนี่ยแม่รถมารับด้วยแล้วเดินตั้งห้ากิโลนี่เขาที่มนวัไหมครับเนี่ยแต่เขามีศรัทธามากว่างั้น แต่ต้องเดินไปห้ากิโลนะว่างนั้นทางก็ขรุขระเหลือเกินแล้วก็ไม่มีอะไรถวายเลยเขาจนจนมากนี่ไอตรงนี <c oughs> ้ไหมพระเจ้าลองคิดดูที่เดินด้วยพระบาทเปล่าจากโพธิมนทน มาโปรดปัญญวิคีพุทธเจ้าทุกๆพระ อ, องค์เนี่ยหเหาะนะแต่องค์ปัจจุบันนี้เดินอทําไมถึงเดินอ๋อเห็นอุปนิสัยของอุปการชีวกถ้าอุปการชีวกไม่ได้เจอท่านก็จะเสียประโยชน์เพราะงั้นก็เดินด้วยพระบาทเปล่าที่จะมาโปรดปัญญวคียี่เป็นต้นหรือเดินด้วยพระบาทเปล่ามาจากเชตาวันเพื่อมาโปรดปุ ก, กุสาติที่ไหน กุงรา่จะคลื้ออย่างนี้และเดินแบบไม่ย่อแผ่นไม่ย่นแผ่นดินด้วยนะทั้งๆ ง, งที่ย่นได้ไม่เหาะด้วยนะทั้งๆที่เหาะได้เพราะอะไรเพราะพระเจ้าเคารพธรรมอ่าทําไมถึงเคารพธรรมปุกปูสาตินะเดินตั้งร้อยกว่าโยชนเพื่อบูชาตถาคตได้ท้าเปล่าเออเราก็บูชาพระพธรรมพระเจ้าก็บูชาพระธรรมเพื่อไปอนุเคราะห์กุลบุตรนี้ถ้าเราไม่ไปอนุเคราะห์ ท่านคนนี้ก็จะตายฟรีอ่ะว่าไ น, นอย่างนี้เป็นต้นพอ ม, มองเห็นไหมอา้าวได้อีกปัญหาข้อหนึงอ่ะนิมนต์ถามนลยเหลือสินาทีไม่มีปัญหาเลยตอนตอนภาคบ่ายตอนภาคบ่ายนะครับอ่านิมนต์ท่านข้างหลังภาคบ่ายเตรียมปัญหาไว้ด้วยนะแล้วก็จะได้สรุป เรื่องอที่จริงเรื่องเหลือเยอะนะผมก็เลยเอ๊ะจะไล่าตามลำดับก็ไม่ทันกับเวลาผมเลยมารีบยอ่ยอๆสรุปสรุปลงเลยเดี๋ยวจะหาว่าเป็นการแสดงธรรมที่ไม่จบ <c oughs> ผมเลยรีบสรุปจบเลยนี่ม น, นครับ ถ้าเกิด เ, เป็นสถานการณ์นะครับคุณว่าการทำบุญเลี้ยงพระทั้วทัพันรูปอย่างนี้กับการที่เราจะทุ่มเทพเพื่อจะแก้ปัญหาเด็กติดยาครอบครัวไม่อบอดเราลอกวัดอย่างน้นะซึ่งถ้าเราเรานำเรื่องนี้ไปไปสอนไปเทศกับญาติโยมเนี่ยถ้าพูดถึงอา น, นิส่สที่มันเกิดขึ้นอยากจะ เราจะพระอาจารย์ช่วยวิเคราะห์ให้เห็นว่าถ้าเกิดเราจะพูดการทำทานในสองลักษณะนี้ให้เห็นอ น, นิสงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอันนิสมอะไรที่จะเกิดขึ้นมากกว่าการจัดสองกรณีนี้รวมทั้งอาจจะเลยไปถึงอย่างเมื่อสักพูดที่พระอาจารย์ยกเป็ตัวอย่างเรื่องถ้ารูปหนึ่งนั่งสมาธิรอเสองตัวเพื่อเป็นผู้ศึกชาซึ่งผมมองว่าถ้าถามถ้าเอาหลักธรรมของพระเจ้าข้ออื่นๆมา เปรียบเทียบด้วยเนี่ยผมก็มองว่าท่านอาจจะทาไม่ถูกก็ได้เพราะว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยเกิดมายากนะถ้าเรารักษาชีวิตการเคาตัวเพื่อบูชาเป็นพุทธบูช า, ชาก็เป็นแค่อางวิสัทธบูชาถ้าเราปฏิบัติแล้วเร า, เาก้าวหน้าจเจริญในธรรมมากกว่านั้นเราเอาความรู้ที่เราได้รับหลังจากนั้นไปเกือ้อกูลต่อสังคมเนี่ยประโยชน์หรือว่าเป็นการบูชาที่สูงยิ่งกว่าด้วยซ้ำไปคือเขอาฟัง น, นนะอาจารย์ลองวิเคราะห์เปรียบเทียบให้เห็นถึง บุญกุศลที่เกิดคื อ, พ อ, พอเพราะผมคิดว่าถ้าเกิดย่าโยงไปมองแต่ตัวบุญกุศลเมื่อโดยพอยิ่งถ้าเปรียบเทียบกับการสร้างกุศลการสร้างฐของคระโพธสัต์ซึ่งท่านอยู่เกินการที่เราจะไปเปรียบเทียบกับท่านได้เนี่ยกลายเป็นปรกวนวากฏว่าโยงไปเาตัวกันใหญ่อะไรประมาณอย่างน้นะครับขอรเออตอนนี้มีสองประเด็นครับประเด็นหนึ่งก็เกี่ยวในเรื่องของการการให้ทาน ว่าถ้าเราจะถวายพระหน0 0งพองค์กับกรณีาการที่เราจะไปช่วยเด็กติดยาเออประเด็นมันอย่างนี้ชั้นปัญหาชั้นทานกับปัญหาชั้นศีลให้สังเกตดูนะว่าพระโพิสัตท่านไม่ละเลยคนที่บำเพ็ญบารมีเป็นพระโพิสัตเนี่ยกรณีแห่งปัญหาชั้น <c oughs> ชั้นทานกุศลเนี่ยท่านก็ไม่ละเลยท่านต้องทําต่อเนื่องทีนี้ปัญหาชั้นศีลในกรณีที่เด็กติดยาทั้งหลายเด็กเข้าใจผิดทั้งหลายอันนั้นเป็นเรื่องของการให้ชีวิต ออต้องแยกนะว่าที่จริงเนี่ยไม่ได้แยกเรื่องทานไม่ได้พูดเรื่องทานกุศลว่าหนึ่งวัตถุทานสองอภัยทานสาธรรมทานนะครับไอตัววัตถุทานก็คือการให้วัตถุเพราะชีวิตก็ต้องเป็นอยู่ได้ด้วยการอาศัยวัตถุในการที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตเช่นที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยาแล้วก็อาหารเป็นต้นอันนั้นชีวิตก็ต้องเป็นไปได้2ในชั้นของอภัยทานก็คือให้ความปลอดภัยในชีวิต ในกรณีที่เด็กติดยาก็ดีทั้งหลายเหล่านี้พระพรทธศาสนาท่านไม่ละเลยหรือปัญหาสังคมทั้งหลายเนี่ยท่านเข้าไปแก้ไขดังที่เคยกล่า ว, าวมานั่ยแหละท่านก็เห็นเป็นประเด็นสําคัญไหมสำคัญดีเพราะว่าเป็นการให้ชีวิตเป็นทานก็หมายความว่าถ้าปล่อยให้เด็กเหล่านี้ติดยาหรือเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเบ็ดเสด็จกระแสชีวิตของเขาก็ยิ่งตกละกรรมลำบากอันนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องพระบริษัททั้งหลายด้วยแล้วหรือแม้แต่พวกเราด้วยแล้วก็ละเลยไม่ได้อันนี้เรื่องจริง ทีนี้ถ้าถามบอกว่าระดับอภัยทานเนี่ยมันสูงกว่าทานวัตถุทานไหมก็ใช่มันเป็นการให้ชีวิตให้ความปลอดภัยในชีวิตด้วยให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินด้วยให้ความปลอดภัยในบุตรในภรรยาในสามีเขาด้วยให้ความสัตว์คําจริงด้วยให้ความไม่แตกแยกด้วยแล้วก็ให้สิ่งที่เป็นให้วาจาที่อ่อนหวานด้วยให้สิ่งที่เป็นประโยชน์และข้อสุดท้ายสังเกตุได้ไหมว่าเป็นศิลข้อที่5ก็คือว่า ตรัดเวลาก็คือไม่ทําตนให้เป็นผู้ประมาท<ม>ก็คือไม่เอาของมึนเมาเข้าไปสู่กระแสชีวิตอันนั้นแปลว่าหนึ่งเราต้องการจะแก้ไขปัญหาเขานั่นแหละแต่เชื่อไหมว่าเด็กเนี่ยหรือปัญหาสังคมเนี่ยที่เกิดขึ้นมาในเรื่องของการที่ว่าติดยาก็ดีทะเลาะเบาะแหวงฆ่าฟันก็ดีปัญหาสังคมปัญหาเรื่องเรื่องเพศปัญหาเรื่องการทะเลาะวิวาท ปัญหาเรื่องของการรักขโมยทั้งหลายเหล่านี้นี่ปัญหาชั้นศีลนี่ไม่มีอภัยทานฉะนั้นให้เห็นเธอว่าจริงๆแล้วเนี่ยจากการไม่เข้าใจวัตถุทานนั่นแหละจากการนี่ไม่เข้าใจเจตนาทานว่าจิตที่คิดจะให้จิตที่คิดจะสละยังไงจากการที่ไม่เข้าใจวัตถุทานวิจัยวัตถุไม่เป็นจากการที่ไม่ไม่เข้าใจเรื่องผู้รับทานว่าจะได้สงได้อนิผลอย่างไร แล้วก็ไม่เข้าใจอะโลพาทานว่าตัวทานจริงๆแล้วมันไม่ใช่ขับเน้นที่ตัววตถุขับเน้นที่ทําลายความโลภและอย่างหนึ่งก็คืออาโทสะก็คือความไม่โกรธเห็นไหมว่ามันคนที่เดินทานกุศลเป็นเนี่ยมันเริ่มขัดเกลารภายในครับขัดเกลาวความไม่โลภเออขัดเกลาวความโลภให้ให้เกิดให้ความไม่โลภเด่นขึ้น ข, ขัดเกลาวความโกรธทิ้งให้ความไม่โกรธมีเมตตาต่อกันมากขึ้นแล้วก็ขัดเกลา ความหลงความมืดบอดให้มีปัญญาความรู้จริงขึ้นมาชัดขึ้นทีนี้พอพัฒนาชั้นฐานวัตถุเปแล้วจะมาพัฒนาชั้นศีลได้ง่ายให้สังเกตดูนะครับเวลาเราไปสอนเรื่องศีลกันเนี่ยเออเป็นปัญหามากบางทีเราไปให้แค่สมาทานเช่นจับมานั่งปั๊บก็ยม阿拉ธนามายังพันเตเบเศษพระก็ถือไมก็ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ จบเบสเสร็จก็ให้ทานให้ทานเบสเสร็จก็ต่างคนต่างไปเนี่ยเวลาพูดก็พูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้นี่ก็เป็นหน้าที่พระธรรมมาทูตต้องไปบอกว่าศีลเนี่ยไม่ใช่ท่องนะครับไอ้ท่องน่ะคือจำนั้นถูกต้องแล้วแต่ศีลไม่ใช่ท่องแต่เป็นความเข้าใจคือหนึ่งแค่หนึ่งเจตนางดเว้นจากการทาชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงอาแล้วแล้วอะไรต่อก็แปลว่าหนึ่งในใจเนี่ย นอกจากว่าไม่คิดประทุษร้ายเขาไม่คิดทําชีวิตสัตว์ให้เขาตกล่วงแล้วสังเกตดูไหมเราสอนศีลกันก็คือไม่ให้ตบยุง่งว่า ง, งั้นเถอะเอาจริงเอาจังแล้วเกินเรื่องขออภัยนะอย่าตบยุงนะอย่าตบมาแมลงวันนะว่า ง, งั้นผิดศีลแต่ทําไมเราโกรธมนุษย์ด้วยกันล่ะแมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเราไม่ให้อภัยเลยอะ่ะแท้ที่จริงศีล น, น่ยก็คือการไม่คิดประทุษร้ายก็คือไม่โกรธ ไม่โกรธในกระแสชีวิตของทุกชีวิตเขาด้วยและในขณะเดียวกันก็ไม่คิดประทุษร้ายเขาตลอดเวลาก็คือว่าทําตนเองไม่เป็นไม่ไม่เป็นที่หวาดระแวงคนอื่นด้วยและในขณะเดียวกันก็ให้อภัยแก่เขามีความรักความปรารถนาดีเอือ้อทอนแล้วก็ปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนกันทั้งจักรวาล น, นะครับให้เขารู้สึกแผ่ตัวเมตตาเนี่ยออกไปด้วยหนึ่งนอกจากไม่ฆ่าไม่พอ ยังกระตุ้นดําริให้เป็นอภยาบาศวิตกให้จิตที่คิดไม่โกรธคิดไม่พยาบาทคิดไม่อาคา่าแล้วก็มีความรากักความปรารถนาดีให้กับสัตว์ประสาททั้งหลายทั้งที่คนที่อยู่เฉพาะหน้าแล้วก็ขยายขยายนะครับพลังของความรากักความปรารถนาดีเอื้อถอนออกไปด้วยเนี่ถ้าเราแนะนําให้เขาจเจริญศีลกันอย่างนี้โดยการคิดเป็นคิดเป็นแล้วก็ไข่ครวนเป็นวิเคราะห์เนี่ย เด็กก็ดีหรือผู้ใหญ่ก็ดีจะได้เข้าใจว่าศีลไม่ใช่อยู่ในตำราศีลไม่ใช่ท่องแต่ศีลมันคือความเข้าใจแล้วมีความโอบอ้อมอารีมีความรากักความปรารถนาดีต่อกันอย่างจับจิตจับใจจริงๆว่างั้นนี่ข้อแรกอันนี้ข้อสองอันนี้อ น, นี้ปัญหาปัญหาข้อ2ข้อ2ก็คือว่านอกจากไม่คิดเอาสมบัติหรือของคนอื่นมาเป็นของตนแล้วไม่พอว่าะงั้น ในขณะเดียวกันก็คือมีความปรารถนาดีให้ศาสต์ทั้งหลายมีความสุขทรัพย์ของตนเองกับสมบัติของตนเองในการใช้รทรัพย์ทําความดีทั้งหลายเป็นต้นและในขณะเดียวกันทรัพย์ของท่านผู้ใดก็จงเป็นของท่านผู้นั้นเถิดเราจะไม่น้อมเลยยว่าจะเอามาด้วยวาจาหรือ ด, ด้วยกายเลยเราจะไม่น้อมคิดเอาทรัพย์สมบัติของบุคคลเหล่านั้นมาเป็นของตนเองเลยอย่างเงี้ยอันนี้พระธรรมทูตก็ต้องไปทําหน้าที่ในการกระตุ้นให้ตัวกุศลศีลข้อนี้มันเกิดจริงๆ นอกจากไม่รักแล้วต้องมีจิตคิดให้เขานะ่ะบริบูรณ์ในทรัพย์สมบัติที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยข้อที่สามไม่ประพฤติผิดในกามไปภาคคู่ครองเขาเพราะงั้นน้อมเอาคู่ครองเขาเป็นของตนไม่พอในขณะเดียวกันยังมีความปรารถนาดีว่าขอให้เขามีความสุขกับคู่ครองของตนเองตลอดการและตลอดไปนะอย่าแตกแยกกันเลยอย่างนี้เป็นต้นจนถึงข้อสุดท้ายนั่นแหละครับที่ปัญหาสังคมที่เด็กติดยา น, นี่แหละ ว่าเออเนี่ยการเอาการเอาของมึนเมาไปแทรกเข้าไปในกระแสชีวิตเนี่ยก็เป็นเหตุแห่งการจะวิปลิตศีลทุกข้อเลยนั้นปัญหาเรื่องศีลเนี่ยตรงนี้ตอนนี้ดีว่าจริงๆก็คือว่าพระธรรมทูต น, น่ยอย่าอย่าสอนอย่าไปสอนเฉพาะว่าให้ไปรับศีลธรรมดาแล้วไม่ยามกระตุ้นว่าศีลมันเกิดยังไงศีลมันเกิดยังไงและให้คิดให้เป็นวิจัยให้เป็นถ้าคิดแบบนี้ศีลเกิดคิดแบบนี้ศีลไม่เกิด เออถ้ามองให้ออกตรงนี้นะแต่รายละเอียดมันเยอะตรงนี้มันต้องใช้เวลาถ้าจะมาวิจัยแต่ละข้อแต่ละประเด็นตรงเนี้อย่างอย่างที่ท่านท่านดรถามมาเนี่แหละว่างั้นเถอะว่าเออต้องวิจัยว่าต้องคิดเป็นนะเด็กทุกวันนี่คิดเป็นที่ไหนอย่าว่าเด็กเลยผู้ใหญ่คิดไม่เป็นเพือเผอพระก็คิดไม่เป็นอีกตรงนี้ยตรงนี้ก็ต้องพยายามคิดให้เป็นว่าจรงิงๆแล้วศีลไม่ใช่ท่องศีไม่ใช่ท่องว่างั้นแต่สีนั้นต้องเกิดขึ้นมาเป็นเนื้อเป็นตัวจริงๆ แล้วพลังจิตใจเนี่ยมันต้องเป็นไปกับศีลให้มันจะคู่กันสังเกตุไหมไม่ฆ่าก็ต้องมีเมตตามากํากับไม่รักก็มีจิตคิดจะให้ไม่คิดประพูดผิดในการมยังคิดให้เขามีความสุขคู่ครองไม่พูดเท็จไม่พอยังมีการกล่าวคําสัตว์คําจริงกับสัตว์ทุกจําพวกด้วยเพรางั้นเธ อ, อไม่พูดให้เขาแตกแยกกันก็ยังมีการส่งเสริมเหม็นมพูดให้เขารักกันยินดียินดีในสามคัคคีส่งเสริมคนที่สามัคคีกัน แล้วคนที่แตกแยกกันเขาพยายามหาอุบายวิธีทําให้เขาสมัครสมานปองดองกันศีลมันเป็นอย่างงี้นะนั้นศีลมันจึงไม่เกิดจริงไงโดยข้อเท็จจริงของชาวพุทธเราเนี่ยนี่ปัญหาสังคมมันเต็มไปหมดเพราะมันหนึ่งทั้งทั้งผู้ผู้บอกเองทั้งผู้กระทาเองเนี่ยก็ยังตีบตันกันอยู่ตอนเนี้ตีบตันกันอยู่ไม่ได้ช่วยกันกระตุ้นขึ้นมาให้มันเกิดขึ้นมาเป็นเนื้อเป็นตัวจริงเราก็เลยเห็นว่าปัญหาสังคมมันก็มากขึ้นเพราะคนรักษาศีลไม่เป็นครับ ตรงนี้นี่เป็นปัญหาใหญ่นี่ปัญหาชั้นศีลไอ้ปัญหาชั้นศีลที่เป็นปัญหาสังคมเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยเพราะอะไรเพราะปัญหาชั้นทานไม่เข้าใจเพราะทานกุศลไม่ต้องมีศีลกำกับมันจึงจะมีผลมากอันนิสง์มากศีลศีลมันก็จะต้องมีเนตข ม, ม้าเป็นตัวกำกับเดี๋ยวแต่ตอนบ่ายจะจ ะ, จ ะ, จ, ะจะโยงตรงนี้ให้เห็นนะครับจะโยงให้เห็นว่าเออมันมันยึดโยงกันยังไงฉะนั้นถ้าถ้าพระธรรมมาโทษเข้าใจตรงนี้เบ็ดเสร็จอันปัญหาที่ท่านถามมาเนี่ยเป็นดี ดีตรงที่ว่าอ๋อช่วยคนออกจากยาเสพติดหรือออกจากสิ่งมึนเมาอันนี้เป็นปัญหาสูงกว่าทานแล้วเป็นเป็นชั้นของอภัยทานเป็นชั้นศีลไปแล้วว่างั้นและเป็นปัญหาชั้นปัญญาด้วยนอกจากให้เขาเข้าใจเรื่องศีลก็ให้เขาตรึกให้เขามีปัญญาเป็นตัวนำเขาจะออกจากสิ่งเหล่านั้นได้เ อ, อเพียงแต่ว่าเด็กวัยรุ่นทั้งหลายเหล่าเนี้เขาไม่เข้าใจเขาคิดว่าศีลมันมันยากไงมันเป็นเรื่องอึดอัดขัดเคืองมากต้องให้เขามาท่องจําอะ ท่องจำแล้วยังไม่พอนะต้องให้เขาอยู่จํากัดว่าต้องต้องต้องไม่ไม่ไม่อะไรเงี้ยแต่กลับไม่ได้ให้เหตุผลเขาว่าเหตุผลจริงๆอะที่ว่ามันเป็นผลดีกับกระแสชีวิตของเขาอย่างไรว่าถ้าเขาไม่ฆ่าเนี่ยแล้วไม่พอนะใจของเขาเป็นไปกับเมตตาเนี่ยกระแสชีวิตของเขาจะเข้าถึงความดีงามเข้าถึงความสุขยังไงอย่างนี้เป็นต้นนั้นตรงนี้ตรงนี้ต้องช่วยกันสื่อนะทนายจันนะสื่อประเด็นตรงนี้ให้เขาเกิดความเข้าใจ แล้วเขาจเจริญศีลเป็นเนื้อเป็นตัวเขาจริงๆแล้วเขาจะมีความสุขกับการมีศีเลเนี่ยโอ้โหวันนี้หมดเลยอ๋อเข้าใจตรงนั้นนี<ข>่ตรงนี้ตรงนี้ก็ประเด็นตรงนี้ที่ผมพยายามจะสืบตามสืบตรงนี้มาก็คือว่าเออนั้นส่วนหนึ่ง ส่วนหนึ่งก็คือว่าคนส่วนใหญ่ที่ว่าให้ทานเนี่ยลองลงลอ ง, ลองท่านพระธรรมทูตลองไปสืบค้นดูจริงเถอะลองลองไปถามดูทีนะครับคนที่ชอบให้ทานกันเนี่ยเอาเอากิจกรรมวัดบางวัดเลยเถอะมีการจัดให้ทานทุกอาทิตย์เนี่ยอย่างโมโหรานในวงั่นเถอะลองไปออกแบบสอบถามท่านมหาท่านท่านพระธรรมทูตจะได้อะไรขึ้นมาหรือหมหนึ่งไม่เข้าใจเลยว่าวัตถุทานวิจัยวัตถุวิจัยยังไง 2อไอเจตนาทานน่ยไอที่เป็นไปกับความไม่รู้ความไม่โกรธเป็นไปกับปัญญาคิดยังไงไม่เป็นนะไม่เป็นประการต่อมาก็คือวิจัยผู้รับวิจัยวัตถุเนี่ยหรือก่อนให้ขนณะให้หลังให้เนี่ยเป็นฉันทาทานังไหมโทสาทานังไหมโมหาทานังไหมพยาทานังไหมกุลังสทานังสักษาทานังสมณะทานังไหมเนี่ยหรือเป็นจิตตาลังการะทานังประดับจิตตกแต่งจิตปุงแต่งจิตกี่โคน หาทํายาหยอดตาไม่ได้จริงๆอันนี้อันนี้คือความเป็นความเป็นความที่ชาวพุทธเราเราต้องต้องต้องเรียนรู้เยอะเป็นอย่างที่ท่านวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยชั้นทานก็ก็เป็นแบบรูปแบบและถ้าจะไปพัฒนาให้ไปช่วยคนเนี่ยยิ่งยิ่งเป็นเรื่องใหญ่แล้วเป็นเรื่องใหญ่แล้วว่าเป็นเรื่องที่เป็นมันเป็นปัญหาเป็นองค์คาพยพบเลยนะมันเป็นปัญหาที่องค์ายบองค์โครงสร้างมันผิด นะครับโครงสร้างมันผิดว่างั้นเธอมันต้องแมมต้องเมีอำนาจแต่ว่างั้นเธอนั่นส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่แล้วยังไงพวกเราเนี่ยก็ช่วยกันเป็นพลังในการขับเคลื่อนในกรณีที่ว่าเอาละเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องปัญหามันมั น, ม, นมันซับซ้อนเต็มไปหมดแล้วตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยว่างั้นเธอในสังคมโลกโดยสบายว่าปัญหาเรื่องทานผู้ประกอบการก็ยังไม่เข้าใจไอ้ปัญหาเรื่องศีลการแก้ปัญหาสังคมความเดือดร้อน ความวุ่นวายทังค้อมก็ผุดขึ้นมาเป็นดอกเหตุว่างั้นเธอนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นมีคนมาสัมภาษณ์เรื่องปัญหาเนี่ยผมก็ว่าตอบหนึ่งปัญหามันก็เป็นรันไปกระทบกันอีกหนึ่งปัญหาเนี่ยสองสาปัญหาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าโอ้โหเป็นปัญหาใหญ่บางทีเขาให้ชั่วโมงเผยแผ่พุทธศาสนาทางทีวีเนี่ยน้อยมากนะ่ะแล้วก็เอาขอภัยไม่รู้เอาใครก็ไม่รู้ไปพูดเนี่ยว่างั้นเธอพูดปัญหาอะไรก็ไม่รู้ มันก็กลายเป็นเป็นเรื่องขอการโฆษณากันไปเลยแต่เนี้ยแต่อีที่จะเจาะประเด็นปัญหาสังคมกันจริงๆอ่ะมัไม่ค่อยมีแล้วก็อย่างว่าก็คืออย่างที่บอกว่าสังคมไทยเนี่ยมีปัญหาด้านด้านการแสวงหาความรู้มีมีปัญหาแล้วพอไม่รู้จริงแต่นี้ก็ปฏิบัติไม่ถูกสิชั้นชั้นทานก็ไม่ถูกฉะนั้นชั้นศีลเนี่ยปัญหาที่คนไปเข้าใจว่าเอ๊ะทําไมระดมให้ทานกัน อย่าแปลกใจครับถ้าไปเจาะเนื้อของทานก็จริงก็งไม่ค่อยเข้าใจให้สังเกตดูไหมถ้าให้ทานแล้วไม่เขียนชื่อติดนี่เขาโกรธนะเนี่ยนี่เราจะเห็นชัดนะไม่ให้ทานก็มีปัญหานะครับถ้าไม่มีชื่อติดนี่เขาจะโกรธมากหรือเขียนชื่อเขาตกไปตัวนึงเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวเลยแทบไม่แทบจะไปเล่นงานเจ้าวาดวันนั้นแทตายเลยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้อันนี้ก็เป็นปัญหาค่อนข้างว่าเออเราเรายึดโยงกับกับว่าถ้าให้ทานต้องมีชื่อติดต้องเขียนชื่อติ ด, ตดบอดติดอะไรกันเนี่ย ปัญหาก็ตามมาค่อนข้างเยอะฉะนั้นตรงนี้ก็เดี๋ยวไว้ช่วงบ่ายก็มามาถกปัญหาตรงนี้กันด้วยมนะันแค่นี้ก่อนนะท่าน